วันนี้อาจารย์จะมีอะไรถามไหมเดี๋ยวเอาไมโครโฟนพูดหนอยอยากเรียนถามท่านอาจารย์ว่าเวลาเราเป็นคราวาทเราไม่ใช่เป็นบรรพชิตเพราะฉะนั้นเวลาเราปฏิบัติธรรมนียตามที่ท่านอาจารย์สอนก็คือว่าให้เรานั่งสมาธิเมื่อเรานั่งสมาธิอุ๊เมื่อเราออกจากสมาธินีย คือผมก็ผมอยากจะถามว่าเวลาเราออกจากสมาธิปุ๊บเนี่ยจิตใจเราก็จะต้องคือเราก็ต้องทํางานถูกไหมครับที uh huh. นี้พอเราทํางานปุ๊บเนี่ยแต่เราก็ยังคือตอนที่เราว่างคือเราสมมุติว่าเราทํางานเราไม่ได้ทําตลอดเวลาบางครั้งเราก็ยังว่างเราก็ควรที่จะระลึกอยู่ที่ลมหายใจเราหรือว่าพุโทโธแล้วแต่แล้วแต่คนถูกไหมครับอื uh huh. เพื่อให้ดึงสติไม่ให้ไปฟุ้งซ่านอยู่กับของรอบตัวให้อยู่กับอยู่กับแล้วก็บางครั้งก็ให้พิจารณาเหมือนกันใช่ไหมครับว่าคือพิจารณาตามที่ท่านสอนเพราะว่าบางทีท่านบอกว่าสิ่งที่ท่านอาจารย์พูดอยู่ทุกวันเนี่ยมันเป็นเรื่องปัญญาอยู่อยู่เกือบทุกครั้งนะครับก็ให้เอาไอ้ที่ ที่สอนเนี่ยมาพิจารณาอือันนี้ก็เป็นการกระทําที่ถูกใช่ไหมครับถูกเพียงแต่ว่ามันยังไม่ เ, เข้าในเข้าไปในระบบถ้าเข้าไปในระบบจริงๆแล้วเราจะเน้นอยู่ที่ทําระดับไหนแล้วทําตัวไหนตัวหนึ่งก่อนในการปฏิบัติจริงๆนะแต่ในการปฏิบัติแบบทั่วๆไปเราก็ สามารถใช้สติบ้างใช้ปัญญาบ้างใช้สมาธิบ้างแล้วแต่โอกาสแล้วแต่แต่ถ้าจะให้มันเป็นแบบเป็นเหมือนกับเป็นขั้นเป็นตอนมันก็ต้องสติก่อนสตินี้ต้องมาก่อนเมื่อสติมีกําลังก็สามารถสั่งให้จิตสงบได้เข้าสมาธิเข้าฌานได้ เมื่อออกจากสมาธิออกจากฌานก็จะใช้ปัญญาจะพิจารณาตายรับพิจารณาอาริยสัจสีอย่างเดียวเพื่อที่จะได้เห็นการทํางานของความทุกข์ว่ามันเกิดจากอะไรแล้วอะไรจะทําให้ความทุกข์ที่มีอยู่ในใจที่เกิดขึ้นนี้ให้มันดับไปอันนี้มันจะ เป็นแบบปฏิบัติเป็นเป็นแบบว่าเป็นขัานเป็นตอนจริงๆแต่ในตอนต้นที่เราเริ่มต้นเนี่ยเราอาจจะสเ ป, ปะสปะค่อนข้างจะเป็นแบบมวยวัดไปคือฝึกสติบ้างนั่งสมาธิบ้างพิจารณาทางปัญญาบ้างแต่ยังจะไม่ได้เป็นกรอบเป็นกรรม มันยังตัดกิเลสดับความทุกข์ยังไม่ได้แบบจริงจงจังๆ เ, เพราะว่ามันยังเป็นในลักษณะของเด็กอยู่ถ้าจะปฏิบัติแบบผู้ใหญ่นี้มันต้องเป็นแบบนักบวชนักบวชนี่เขาไม่มีภารกิจเรื่องการงานต่างๆเขามีเวลาจเจริญสติได้ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับนี่ เอาสติก่อนเลยใช่ไหเอาให้มันนั่งสมาธิให้จิตมันรวมเป็นอัปปนาสมาธิให้ได้พอได้ขั้นอัปปนาสมาธิแล้วก็เวลาไม่ได้อยู่ในสมาธิก็พิจารณาทางปัญญาไปแต่ถ้ายังไม่ได้อัปปนาสมาธิเวลาไม่ได้นั่งสมาธิก็ยังต้องเน้นที่สติก่อน ต้องเอาสติให้มันคุมจิตให้ได้ก่อนดึงจิตให้เข้าสู่สมาธิให้ได้ก่อนเมื่อมีสติกำลังมากแล้วจะสามารถดึงจิตให้เข้าสมาธิได้ทุกเวลาที่ต้องการนั่งปับห้านาทีสิบนาทีจิตรวมเปน็นอัปปนาสมาธิอยู่ได้เป็นหลายสิบนาทีสี่สิบห้าสิบนาทีชั่วโมง หรือบางคนดีเข้าฌานได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงอันนี้มันเป็นขั้นตอนของการปฏิบัติแบบถึงลูกถึงคนพูดง่ายๆเอากันแบบให้มันเป็นเป็นเรื่องเป็นราวไปเลยตอนต้นนี้ม่ต้องสติมาก่อนถ้าไม่มีสตินั่งสมาธิก็จิตจะไม่สงบไม่รวม อาจจะสงบอาจจะงรงับจากความฟุง้งซ่านแต่มไม่ดิ่งมันไม่เข้าสู่จุดอัปปนาเข้าสู่อุเบกขาเข้าสู่จุดที่เหลือแต่สักแต่ว่ารู้เนี่ยอันนี้มันต้องมีสติที่ เ, เรียกว่าสติสัมปชัญญะสติอย่างไม่ขาดตอนดึงจิตคุมความคิดได้แทบจะทุกเวลานาที ดึงจิตให้อยู่ในปัจจุบันให้รู้สักตะวรู้ไม่ให้คิดคิดถึงอดีตไม่ให้คิดถึงอนาคตไม่ให้คิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ให้รู้อยู่กับปัจจุบันถ้าร่างกายกำลังเดินก็ให้รู้กับการเดินอย่างเดียวถ้าร่างกายกำลังรับประทานอาหารอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวทาอะไรก็ให้มันรู้อยู่กับเรื่อง ที่กลังทำอยู่เท่านั้นแล้วพอไม่มีอะไรต้องทำก็นั่งสมาธิเข้าไปนั่งให้มันรวมให้ได้ให้มันสงบให้ได้นานๆตอนต้นอาจจะได้1ิบนาทีสิบห้านาทียี่สิบนาทีนั่งไปเป็นต่อไปก็ครึ่งชั่วโมงชั่วโมงเลยบองต้นเนี่ยต้องเอาสติให้ได้ก่อนให้มาดึงจิตให้เข้าสมาธิ ช่วนั้นถ้าจะไม่ต้องสนใจเรื่องปัญญาเลยอนอกจากมีเหตุการณ์จำเป็นจะต้องใช้ปัญญาก็ใช้ไปถ้ามีทุกข์เกิดขึ้นมีปัญหาโกรธเกิดมีความโกรธเกิดขึ้นถ้าใช้สติหยุดมันไม่ได้ก็อาจจะใช้ปัญญาเข้ามาพิจารณาหาสาเหตุว่าทำไมเราจึงโกรธโกรธก็มักจะเกิดจากความอยาก อยากได้อะไรแล้วไม่ได้นั่งใจอยากก็โกรธเหนี้นเราก็ต้องระงับความอยากนั้นแล้วความโกรธมันก็จะหายไปอันนี้เป็นเฉพาะกิจเป็นปัญญาเฉพาะกิจเวลามีอะไรมาทาให้จิตใจทุกข์ขึ้นมาแต่ยังไม่เป็นปัญญาที่เราจะเอามาทําลายข่าศึกศัตรูที่ที่มัน มันเป็นเป็นศั ต, ตหลักของเราศัตหลักของเราก็คือในในในทางปฏิบัติก็คือสังโยชนี่สิบประการเนี่ยอันนี้แหละคือศัตุลักที่เราจะต้องทุ่มเทปัญญากับสมาธิปัญญาสมาธิสตินี้ต้องเต็มร้อยเนี่ยถึงจะ สู้กับไอตัวสังโยชน์เหล่านี้ได้สิบสิบตัวด้วยกันสามตัวแรกก็สักกายทิฏฐิวิจิตกิจช า, า, าศีลพัตตปรมา m a อันนี้มันมาเป็นพวงแก้ตัวหนึ่งแล้วมันก็จะแก้ได้ทั้งสามทั้งสามตัวให้ไปแก้ที่ตัวสักกายทิฏฐิ แต่จะไปแก้ด้านนี้มันจะต้องมีอัปปนาสมาธิแล้วจิตสามารถที่จะสั่งให้หยุดความคิดหยุดความอยากได้เมื่อเห็นรู้ว่าตัวความคิดตัวความอยากแบบนี้เป็นตัวที่สร้างความทุกข์คิดไปในทางที่ผิดต้องสอนให้มันหยุดคิดคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเรานี้ต้องสอนให้มันหยุดคิดว่ามันไม่ใช่ร่างกายเราเอาความจริงมายืนยัน เช่นคนดูที่ว่าในร่างกายเราตัวเราอยู่เราอยู่ตรงไหนในร่างกายนี่ร่างกายมันก็มีเพียงอาการสามสิบสองไม่เห็นมีตัวเราอยู่ตรงไหนตัดผมไปเราหายไปหรือเปล่าเราหายไปกับผมหรือเปล่าตัดเล็บไปตัดอะไรไป ต, ตัดอวัยวะสมัยนี้ตัดไตออกไปแล้วเราหายไปกับไตหรือเปล่า ถ้าคนดูแล้วร่างกายมันก็มีแค่อาการสามสิบสองแล้วถ้าพิจารณาก็ดูว่ามันอะไรเป็นตัวที่ทำให้มีอาการสามสิบสองมันก็ดินน้ำหลงมไฟธาตุทั้งสี่อาหารที่เรากินมันก็เป็นดินส่วนใหญ่มีน้ำผสมด้วยมีไฟผสมด้วยเราต้ม อ, อาหารมันก็ร้อนใช่ แล้วก็มีลมหายใจที่เราหายใจเข้าออกน้ำที่เราดื่มเครื่องดื่มที่เราดื่มมันก็เป็นธาตุน้ำเมื่อมันมารวมตัวกันมันก็เลยม า, าทางวิทยาศาสตร์เขาก็เรียกว่าเป็นตัวเซลล์มันก็ก็ไปเป็นตัวเซลล์ไปทำให้ไปก่ออวัยวะต่างๆขึ้นม า, าไปเสริมอวัยวะต่างๆที่มีอยู่ให้ให้มีต่อไป เห็นผมให้มันยาวขึ้นเห็นเล็บให้มันงอกยาวขึ้นร่างกายให้มันใหญ่โตขึ้นกระดูกใหญ่ขึ้นเนื้อมากขึ้นมันก็มาจากธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟเราต้องพิจารณาดูมันตั้งแต่มันเริ่มต้นร่างกายมันเริ่มต้นรวมตัวก็เอาธาตุของแม่กับธาตุของพ่อมารวมกันน้ำสองหยดเดี๋ยวนี้ก็ผสมเทียมได้ เขาก็เอาน้ำจากพ่อมาหยดหนึ่งน้ำจากแม่มาหยดหนึ่งมารวมตัวกันแล้วมันก็เริ่มก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาเป็นร่างกายขึ้นมาอาศัยธาตุสี่ที่แม่ส่งเข้าไปทางสายเลือดเนี่ยในท้องเนี่ยร่างกายมันก็เลยก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเอ็นเป็นกระดูกต่างๆขึ้นมา แล้วก็หออข้อออกมาก็หายใจเองดื่มน้ำเองเติมมาหาเองเติมดินเองข้าวก็มาจากดินผักก็มาจากดินพอเข้าไปมันก็ําให้ร่างกายเจริญเติบโ ต, ตขึ้นมาร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนต้นไม้เนี่ยใช่ไหมดูต้นไม้มันโผล่มาจากดินใช่ไห พอมีน้ำมีดินมีอากาศมีความร้อนอุณหภูมิที่เหมาะสมต้นไม้ก็จะเจริญงอกงามขึ้นมาถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็จะไม่เจริญเช่นไปอยู่ที่ทะเลทรายมันขาดอะไรขาดน้ำมีดินมีไฟมีลมแต่ไม่มีไม่มีน้าต้นไม้ก็ขึ้นไม่ได้ ไปอยู่ที่หนาวที่กวัวโลกเหนือมีแต่หิมะมีน้ำแต่ไม่มีอุณหภูมิไม่มีความร้อนมันก็ขึ้นไม่ได้แต่ที่ไหนที่มีธาตุทั้งสี่ที่อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมมันก็ทำให้มีต้นไม้ใบยญามีสัตว์มีมนุษย์โผล่ขึ้นมา <c oughs> นี่มันมาจากไหนคือให้พิจารณาว่ามันมาจาก ดินน้ำลมไฟทั้งนนร่างกายของเราของสัตว์ของต้นไม้มันมาจากดินน้ำลมไฟผสมกันแล้วมันก็มีการเจริญแล้วเดี๋ยวมันก็มีการเสื่อมมันไม่เที่ยงมันมีการเจริญเด็กเจริญเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เป็นคนแก่เริ่มแก่ก็เริ่มเริ่มเสื่อม มีเจริญพอเจริญเต็มที่แล้วก็เริ่มเส่อมนับถอยหลังแล้วเดี๋ยวมันก็เจ็บใข้ได้ป่วยพิกลพิการเพราะธาตุมันไม่สมบูรณ์ซะและ้วขาดธาตุ<ม>นู้นขาดธาตุนี้ก็ทำให้กายววะไม่ทำงานตามปกติแล้วเดี๋ยวมันก็หยุดลมหายใจหยุดหายใจพอห ย, หยุดหายใจธาตุทั้งสี่ก็จะ แยกออกจากร่างกายไปถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เฉยๆเดี๋ยวน้ำก็ไหลออกมาไฟก็ไปละลมก็ไปก่อนนะลมไม่ลมไม่เข้ามีแต่ลมออกคือกลิ่นที่เราเหย่อออกมาจากร่างกายไฟร่างกายไม่มีละเย็นเฉียบแล้วทิ้งไปนานๆาพอน้ำออกมาหมดทางร่างกายก็จะแห้งกรอบ ยิ่งต่อไปมันก็จะผุพังกลายเป็นดินไปอันี้เกิดการใช้ปัญญาให้คิดในทางความเป็นจริงจะให้มันคิดอย่างนี้ได้มันจะต้องมีสติควบคุมบังคับให้มันคิ ด, ใ ห, คดให้มีสมาธิเพราะว่าถ้ามันมีสมาธิจิตมันจะไม่หิวกับเรื่องอื่นธรรมดาถ้าจิตไม่มีสมาธิมันจะหิวกับเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ มันจะคิดแต่หารูปหาเสียงหากลิ่นหารสมาเสพยอยู่เรื่อยมันก็จะไม่สามารถหาเวลามานั่งตึกตรองทางปัญญาได้ให้มาคิดในทางที่เป็นความจริงได้คิดให้มันจนกราังมันเป็นนิสยัยฝังใจไปคิดทีไรเห็นร่างกายทีไรก็เห็นว่ามันเป็นเพียงดินน้ำลมไฟที่มารวมตัวกันแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องแยกออกจากกัน ส่วนผู้คิดนี้ไม่ได้เป็นร่างกายใช่ไหมผู้คิดนี้เป็นเรียกว่าใจเป็นผู้ที่มาครอบครองร่างกายตอนที่พ่อแม่ก่อร่างสร้างตัวร่างกายนี้ขึ้นมาในคันเนี่ยของแม่ใจที่ไม่มีร่างกายที่แสวงหาร่างกายเพราะใจถูกความอยากที่จะหาที่จะใช้ร่างกายไปหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาเสพ เป็นตัวดันให้ใจมาเกาะติดอยู่กับร่างกายแต่ใจถ้าไม่มีปัญญาก็เลยเหมือนคนสมัยก่อนที่ไม่มีปัญญามองเห็นโลกก็ต้องว่าแบนใช่ไหมเราเห็นร่างกายของเราเราก็ต้องว่าเป็นตัวเราใช่ไหมใจเพราะมันไม่มันไม่เห็นตัวมันเองมันไม่ตัวมันเองไม่มีรูปไม่มีร่างใจของเรานี้ไม่มีรูปมีร่างเหมือนร่างกาย พอมันได้มาเกาะกับร่างกายมันก็เลยไปว่าร่างกายเป็นมันไปพอมันใช้ร่างกายให้ทำอะไรทุกอย่างมันก็เลยคิดว่ามันเป็นร่างกายร่างกายเป็นใจเป็นผู้สั่งให้ร่างกายคิดให้ร่างกายทำอะไรต่างๆอันนี้เราจะเห็นได้ก็ตอนที่เรานั่งสมาธิแล้วเวลาใจสงบใจก็จะถอนออกจากร่างกายชั่วคราว ตัที่มาเกาะร่างกายคือวิญญาณทั้งห้าวิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จะหดเข้าไปก็เป็นที่ตัวผู้รู้เหรือว่าแต่สักแต่ว่ารู้ตอนนั้นไม่รับรู้รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเวลาที่เข้าไปในสมาธิก็จะเห็นว่าออใจกับร่างกายนี้มันเป็นสองส่วนสองคนด้วยกัน เหมือนคนขี่ม้าเวลาออกจากเวลาไม่ได้ขี่ม้าก็แยกกันเป็นคนสองคนแต่เวลาขี่ม้าก็เป็นเป็นคนเดียวกันไปพร้อมกันม้าวิ่งไปไหนคนขี่ก็ไปกับมา้าแต่เวลาคนออกจากลงลงจากหลังม้าแล้วก็ก็จะเห็นว่า อ, อคนเดินไปทางหนึ่งม้าไปทางหนึ่งเวลานั่งสมาธิมันก็จะแยกออกจากกันอย่างนั้นชั่วข่าว สมาธิมันก็ทำให้เราพอที่จะเห็นแต่เห็นแบบไม่นานแล้วก็สมาธิมันจะทำให้ใจเราอิ่มให้มีไม่มีอารมณ์ไม่มีความหิวในเรื่องอื่นเรื่องราวต่างๆรูปเสียงกลิ่นนสดไม่มีรักชังกลัวหลงกับสิ่งต่างๆพอจากสมาธิมาสภาพนี้มันก็ยังจะอยู่ชั่วคราวเหมือนกับน้ำที่เราแช่ในตู้ยเย็น เวลาน้ำเย็นเราออกมาจากตู้เย็นใหม่ๆมันยังเย็นอยู่แต่ถ้าเราทิ้งไว้สักพักเดี๋ยวความเย็นมันก็จะหายไปใจเราก็เหมือนกันเวลาอยู่ในสมาธิมันจะมีอุบเบกขามันจะไม่หิวกับอารมณ์ต่างๆพอจากสมาธิมาเนี่ยช่วงใหม่ๆเนี่ยเป็นช่วงที่เราสามารถดึงใจให้มาคิดเรื่องที่ใจไม่อยากคิดได้หรือไม่เคยคิดกัน ก็เรื่องของร่างกายเนี่ยว่ามันมาจากไหนกันแน่มันเป็นอะไรกันแน agenda? ่ไม่มีใครคิดกันเพราะคนใหญ่จะคิดว่าจะเอาร่างกายไปทําอะไรดีกันใช่ไหมวันนี้จะไปหาขนมที่ไหนกินวันนี้จะไปเที่ยวที่ไหนดีวันนี้จะไปหาแฟนที่ไหนมันจะคิดแต่เรื่องนี้คิดแต่จะใช้ร่างกายมีร่างกายมาแต่ไม่เคยคิดเลยว่าร่างกายนี้มันเป็นอะไรกันแน่มันเป็นเราหรือเปล่ามันเที่ยงหรือไม่เที่ยง ไม่เคยคิดไม่ยอมคิดพอร่างกายเป็นอะไรก็ตกใจขึ้นมาพอร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาก็ตกใจร่างกายแก่ก็ตกใจเห็นร่างกายของคนอื่นตายก็ตกใจพอรู้ว่าต่อไปร่างกายเรามันก็ต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกันเพราะไม่ศึกษาเลยไม่สนใจที่จะมาค้นคว้าหาความจริงเกี่ยวกับร่างกายทำไมต้องไปตกใจกับมันด้วยเขาไปคิดว่ามันเป็นเราเใช่ไหม เราไปเหมาว่ามันเป็นเราแต่ถ้าเรามาศึกษาตามที่พระพุทธเจ้าสอนให้ศึกษาเราก็จะเริ่มเข้าใจว่ามันไม่ใช่เป็นเรานะมันเป็นเหมือนคนรับใช้เราเป็นเหมือนม้าตัวหนึ่งที่เรามาขี่เดี๋ยวม้าก็ต้องตายแต่คนขี่ไม่ตายคนขี่นี่เปลี่ยนมา้ามาไม่รู้กี่ตัวแล้วมาเกิดไม่รู้กี่ครั้งแล้วพอมาตัวนี้ตายร่างกายตัวนี้ตายก็ไปหาร่างกายอันใหม่ มันต้องมาคิดอย่างนี้ให้เห็นชัดเจนเกี่ยวความเป็นจริงของร่างกายว่ามันหนึ่งมันไม่เที่ยงสองมันเป็นอนัตตามันไม่มีตัวตนมันเป็นดินน้ำลมไฟเป็นอาการสามสิบสองใจเป็นผู้ที่มาทำให้มันเคลื่อนไหวไปไหนมาได้ได้แล้วใจก็ไปคิดว่าใจเป็นร่างกายไปเท่านั้นเองอนี่คือสิ่งที่เรา ได้เรียนรู้จากการได้มาพบกับพระพุทธเจ้าพบกับพระธรรมคำสอนพบกับพระอริยสงฆ์ถ้าเราไม่เจอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้ยังไม่ไปดูสถาบันการศึกษาที่ไหนที่ไหนเขาไม่รู้กันรู้ก็ ร, กรู้แบบไม่ไม่เต็มไม่เต็มครบบริบูรณ์ทางวิทยาศาสตร์เขาก็รู้ว่าร่างกายมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย รู้ว่ามันก็ทํามาจากเซลมาจากอาหารที่กินนี่แหละแต่มันไม่รู้ว่ามันไม่ใช่ตัวเราเลยตัวนี้ไม่มีใครรู้อันนี้พระพุทธเจ้าตรัสนะรู้นยตรัสรู้ไม่มีตัวเราของทุกอย่างในโลกนี้ไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ของเราเป็นดินน้ำลมไฟทั้งนั้นทำมาจากดินน้ำลมไฟหรือเป็นดินน้ำลมไฟเช่นน้ำในทะเลก็เป็นน้ำถาดน้ำ อากาศที่้อยที่อยู่รอบตัวเรานี่ก็เป็นธาตุลมที่เราหายใจเข้าออกความร้อนที่เราได้รับจากแสงสบดวงอาทิตย์ก็เป็นธาตุไฟดินที่เราเหยียบนี่ก็เป็นธาตุดินในโลกนี้ทั้งโลกมีแค่สี่อย่างนี้มีดินน้ำนุมไฟแล้วก็มีธ <c oughs> าตรู้คือใจผู้รู้ผู้คิดนี้มามาครอบของ ร่างกายที่ทำมาจากธาตุสี่ร่างกายของมนุษย์ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานนี่ก็เป็นเป็นดินน้ำลมไฟแล้วก็มีใจเป็นผู้ที่มาใช้มันทำอะไรต่างๆตามความอยากของใจใจอยากรูปเสียงกลิ่นรสก็ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกาย เห็นไหมมนุษย์เหล่านี้มีตาหูจมูกลิ้นกายสัตว์ก็มีตาหูจมูกนิ้งกายเศพกรรมเหมือนกันหาความสุขจากกรมรมกามมคุณห้ากรรมมคุณห้าก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะนี่เอถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนเราก็จะไม่รู้ว่าทําไมเราต้องมาเจริญสติทําไมเราต้องมานั่งสมาธิทําไมเราต้องมาเจริญปัญญา เพื่อเราได้รู้จริงๆว่าเรากำลังหลงผิดเรากำลังสร้างปัญหาให้กับตัวเราเองโดยใช่เหตุโดยเป็นหลงคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราเราก็อยากให้ร่างกายมันดีไปตลอดพอมันไม่ดีก็ทุกข์พอมันจะตายก็คิดว่าเราจะตายไปกับมันหวาดกลัวกับความตายของร่างกาย ท, ทั้งที่เราไม่ได้ตายไปกับมันแต่เราไม่รู้ไง เหมือนคนโบราณเขาไม่กล้านั่งเรือออกไปไกลใช่ไหมกลัวจะตกขอบขอบทะเลพอโลกนี้มันแบนเหมือนเป็นโต๊ะอย่างเงี้ยถ้านั่งเรือไปไกลๆแล้วเดียวมันสุดขอบโต๊ะมันก็จะตกออกจากโลกไปก็เลยไม่มีใครกล้านั่งเรือออกไปไกลๆแต่มีคนฉลาดที่มันมานั่งคิดว่าอมองขึ้นไปท้องฟ้ามันมีกล้องกล้องสองดูมันท้องฟ้า ที่มีดวงดาวต่างๆมันกลมทั้งนั้นเนี่ยว่าแล้วทำไมมันโลกเรามันจะมาแบนมาแบนได้ยังไงอันเดียวเขาก็เลยท้าพิสูจน์ว่ามันไม่มันต้องกลมเหมือนกับโลกอื่นเหมือนดวงดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ที่เห็นเขาก็เลยบอกว่าลองนั่งเรือออกไปดูให้มันไปสุดถ้ามีทะเลมันต่อเนื่องกันเดี๋ยวมันจะต้องกลับมาที่เราเริ่มต้นเนี่ยถ้ามันเป็นวงกลม เขาก็าพิสูจน์ได้ในที่สุดว่าโลกมันกลมหรืไม่ต้องไปขนาดนั้นก็ได้เขาดูเวลาเรือเข้ามาเขาก็สังเกตดูเวลาเรือเข้ามานี่ทำไมเราไม่เห็นตุ๊ดเรือกับเสากระโดงพร้อมๆกันถ้ามันแบนเนี่ยเราเห็นพร้อมๆกันเนี่ยแต่ทำไมไปเห็นเสาก่อนเสากระโดงก่อนเห็นยอดมันก่อนแล้วค่อยๆเห็นส่วนอื่นตามส่วนที่อยู่ต่าลงมา ก็เพราะว่าพื้นที่ที่มันเว่งแล่นอ่นี้มันโค้งมันวาวเนี่ยเหมือนคนขี่ม้าข้ามเขามาเนี่ยจะเห็นอะไรก่อนเห็นคนขี่หรือเห็นม้าพร้อมๆกันมันต้องเห็นคนขี่ก่อนเห็นส่วนที่สูงก่อนแล้วถ้าเห็นส่วนที่ต่ําตามมาแล้วมันก็พิสูจน์ได้ว่าพื้นที่มันไม่แบนมันโค้งมันเว้าเพียงแต่ว่าว้าน้อยมากมันใหญ่มากมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่ามันแบนเพราะตัวเรามันเล็ก เปรียบเทียบมันก็เลยคิดว่าเราอยู่บนพื้นที่ราบที่เรียบที่แบนอันนี้ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าก็มาค้นคว้าหาว่าไอ้ร่างกายที่มันทุกข์เราไีทุกข์กับมันนักหนาวนี่มันเป็นอะไรกันแนะ่มันตายไปแล้วแล้วมันมันมันมีอะไรที่ไม่ตายไปกับมันหรือเปล่าอะไระท่านก็เลยค้นคว้าไปค้นคว้ามาในที่สุดก็ได้พบความจริงเนี่ยว่า ร่างกายนี้มันเป็นเพียงธาตุสีดินน้ำลมไสส่วนผู้รู้ผู้คิดผู้สั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆนี้ไม่ได้เป็นธาตุสีเป็นธาตุรู้เป็นธาตุที่ห้าแยกออกจากกันเอมาเกาะติดกันเมื่อมีการรวมตัวของธาตุสีก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาเป็นร่างกายธาตุรู้ก็มาเกาะเออ อันนี้ก็เลยได้ข้อสรุปว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เป็นตัวเราของเราที่เราไปทุกข์กับร่างกายเพราะเราไปคิดว่ามั น, นตัวเราของเราทุกข์เพราะเราอยากให้มันไม่ไม่ไม่จากเราไปทุกข์เพราะเราไม่อยากให้มันตายเพราะเราไม่เราไม่มีใครอยากตายทุกคนอยากจะอยู่ไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่เราเกำลังหากันอยู่ในขณะนี้แต่ความจริงมันเป็นอย่างนั้นไม่ได้ อย่างร่างกายนี้ทุกของคนทุกคนมันจะต้องจบมันจะต้องกลายเป็นซากศพไปกลายเป็นดินน้ำลมไฟไปถ้าไปอยากก็จะทุกข์ก็เลยพบอริยสัจสีขึ้นมาว่าอ๋อที่ใจเราทุกข์ก็ทุกข์เพราะความอยากนี่เองอยากให้ร่างกายมันไม่ตายอยากให้มันอยู่ไปนานๆพอมันจะตายเราก็เลยทุกข์ ก็เยคนพบว่าความทุกนี้เกิดจากความอยากไม่ได้เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายความแก่ความเจ็บความตายมันถ้าเราไม่ไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราจะไม่ทุกข์กับมันนะที่เราทุกข์ก็เพราะว่าเราไปอยากเวลาเราเข้าไปในสมาธิเราไม่ทุกข์กับร่างกายเพราะเราตอนนั้นหยุดความอยากได้เวลาจิตสงบความอยากก็สงบไปด้วย ร น, นั้น่างกายเจ็บแล้วร่างกายจะตายจิตไม่รับรู้จิตไม่สนใจจิตไม่มีความอยากเกี่ยวกับร่างกายพระเจ้าก็เลยสมค้นพบเนี่ยว่าความทุกข์ของใจเกิดจากความอยากของใจที่ไปหลงรักสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยสาเหตุใดเหตุหนึ่งเช่นร่างกายก็ไปหลงรักว่าเป็นเราเป็นตัวเราแล้วก็เป็น สิ่งที่จะมาให้เราหาความสุขได้เรามีร่างกายเราก็จะได้ไปดูไปฟังไปกินไปดื่มไปทำอะไรต่างๆได้พอร่างกายแก่หรือร่างกายเจ็บมันก็จะทำไม่ได้หรือทำได้ยากแล้วถ้าร่างกายตายก็ไม่ได้เลยนี่เรากลัวตัวนี้กลัวตัวตอนที่เราจะไม่มีความสุขกันเพราะถ้าไม่มีร่างกายแล้วเราจะหาความสุขอย่างไร เราก็เลยอยากไม่ให้มันไม่ตายความอยากไม่ตายมันก็เลยทําให้เราทุกข์กันมันก็เลยพิจารณาแล้วความทุกข์นี่มันกลับมากกว่าความสุขที่ได้จากร่างกายพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าสู้ปล่อยร่างกายดีกว่าอย่าอย่าไปอาศัยร่างกายหาความสุขดีกว่าเพราะได้ความสุขจากร่างกายน้อยกว่าได้ความทุกข์เวลา เราไปเที่ยวเราสนุกสนานเฮฮากันพอกลับมาบ้านพอมันจะเอการเจ็บไข้ได้ป่วยความสุขต่างๆที่ที่ได้มาหายไปหมดเลยความทุกข์ที่เขามานี่มันรุนแรงกว่าความสุขที่เราได้มาอืมนั่นมันไม่คุ้มการที่เราจะมาทุกข์กับร่างกา ย, ยานั้นเราก็ต้องหยุดเลิกใช้ร่างกายเลิอกอาศัยร่างกายเรา มีคนสอนให้เราพิจารณาว่าให้อย่าไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเรามันไม่ได้เป็นตัวเราของเราอังนั้นปล่อยมันไปดีกว่าอย่าไปยุ่งกับมันดีกว่าเหมือนร่างกายของคนอื่นที่เราไม่รู้จักนี่เราไม่ทุกข์กับเขาใช่ไหมร่างกายคนอื่นจะแก่จะเจ็บจะตายนี่เราเฉยๆไม่เดือดร้อนะเพราะเราไม่มีความผูกพันกับเขานั้นเองแต่ร่างกายของเรานี้เรามีความผูกพันกับมันเราเพึ่งมัน ร่างกายของคนอื่นคนที่เราไม่พึ่งเราไม่เดือดร้อนแต่คนที่เราพึ่งก็ยังเดือดร้อนได้ใช่ไหมเช่นถ้าเราพึ่งสามีพึ่งภรรยาถ้าเขาเป็นอะไรเราก็เดือดร้อนขึ้นมาได้เฮฉนั้นปัญหาของใจก็คือไปพึ่งสิ่งที่มันพึ่งไม่ได้เป็นสิ่งที่ใจไปพึ่งมันเป็นของชั่วคราวเป็นอนิจจังร่างกายมันเป็นของชั่วคราวพระเจ้าก็เลย บอกให้กลับมาพึ่งความสงบดีกว่าให้ทําสมาธิทาใจให้นิ่งให้สงบแล้วใจก็มีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องมีร่างกายไม่ต้องใช้ร่างกายพอเราสามารถหาความสุขแบบแบบที่ไม่ต้องมีร่างกายได้เราก็เลิกใช้ร่างกายได้ร่างกายจะเป็นยังไงเราก็ไม่สนใจได้อันนี้เป็น วิธีการปฏิบัติต้องมีทั้งสมาธิต้องมีทั้งปัญญามันถึงจะมีความสามารถที่จะปล่อยวางร่างกายได้ตอนนี้เรามีปัญญาแต่เราไม่มีสมาธิเราปล่อยไม่ได้เราฟังเทศมาจนหูฉีกแล้วเขาจะสวดมนต์มาจนหูติกแล้วดูปังอนิจจังรูปังอนัตตาร่างกายคือรูปเนี่ยเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเรา แต่มันก็ไม่สามารถที่จะปล่อยร่างกายได้ทิ้งร่างกายได้ยังต้องใช้มันอยู่ทุกวันแต่พวกนักบวชเนี่ยที่เขามาบวชแล้วก็มานั่งสมาธิเนี่ยเขาเลิกใช้ร่างกายได้เขาไม่ต้องอาศัยร่างกายพาไปเที่ยวเหมือนเหมือนคารวะญาติโยมเขาเวลาเขาอยากจะมีความสุขเขาเาก็เ ข, ข้าไปในสมาธิแทนไม่ต้องใช้ร่างกายก็เลยปล่อยร่างกายได้ ยิ่งมารู้ว่าร่างกายไม่ใช่เป็นตัวเราก็ยิ่งไม่ไปสนใจไปดูแลมันให้มันวุ่นวายใจเปล่าๆในที่สุดก็ละสักกายทิฏฐิได้ต้องละได้ทั้งมีทั้งสมาธิทั้งปัญญาปัญญาอย่างเดียวไม่มีความกำลังที่จะหยุดความอยากความยึดติดในร่างกายได้เพราะยังอาศัยร่างกายอยู่ แต่ถ้าเรามีสมาธิเรามีความสุขจากสมาธิเราก็ไม่ต้องใช้ร่างกายเราก็เลิกใช้ร่างกายได้ปล่อยให้ร่างกายเป็นอะไรไปได้ไม่เดือดร้อนนะรับถามต่อคือผมคือคือผมเข้าใจที่ท่านอาจารย์สอนก็แสดงว่าเวลาเรานั่งสมาธิหรือมีสติเนี่ย ผลที่ได้มันก็คือมันก็คือทำให้เราพิจารณาปัญญาได้ลึกขึ้นกว่าที่เราอ่านหนังสือสมมติเราอ่านหนังสือเรื่องเรื่องอริยสัจสี่อันนั้นมนระบรนการอ่านและเข้าใจจากตัวหนังสือแต่พอเราเริ่มนั่งสมาธิแล้วเราออกจากสมาธิเราจะรู้สึกความรู้สึกเราจะเปรียบเทียบกับมัน แค่แค่มันเปรียบเทียบความรู้สึกได้ใช่ไห ม, รรมครับท่านอาจารย์นะค่แยๆว่าแค่แค่ว่าคือไอ้ภาวนามัปยปัญญาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากเ x p e r ์ e n c e ในการนั่งสมาธิแล้วมาพิจารณาเวลาจิตนิ่งแต่มันจะต่างจากการที่เราอ่านเหมือนผมฟัง<ม>ท่านอาจารย์ตอนนี้มันก็คือสุดตามัปยป<ม>ัญญาแต่ผมจะนำไอ้ปัญญาที่ท่านสอนเนี่ยเอาไปจริงๆเพื่อให้มันไปปรับปรุง เปลี่ยนแปลงไอ้ระบบสัญญาความจำของผมเนี่ยผมต้องนั่งสมาธิพอออกจากสมาธิแล้วต้องพิจารณาเพื่อเพื่อเห็นมันจริงๆเหมือนไปอพพลายมันจริงๆใช่ไหมครับคือที่มันให้มันเห็นจริงๆก็คือให้มันไม่ลืมเข้าใจมหให้มันไม่ลืมส่วนใหญ่เรามักจะลืมกัน พอฟังปั๊บเดียวเดี๋ยวเราพอออกไปเราไปคิดเรื่องอื่นมันก็ลืมไปหมดเราต้องไม่ไปคิดเรื่องอื่นพอออกมาก็ต้องคิดเรื่องนี้เรื่องเดียวไปจนไม่ให้มันลืมก็แปลว่าเราต้องมีสติอยู่ตลอดมีปัญญาต้องคิดอยู่เรื่อยๆอนัตตาอยู่เรื่อยๆอันนี้จังอยู่เรื่อยร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราแล้วพอเจอข้อสอบก็จะได้ทําได้เวลาเจองูอย่างเงี้ยจะได้อะมันไม่ใช่ร่างกายของเรามันจะตายให้มันตายไป อใช่ไหมมันไม่ใช่ของเราไม่ใช่เหรออมันต้องเจอข้อสอบด้วยมันถึงจะรู้ว่าอมันปล่อยได้แล้วปล่อยไม่ได้แต่ตอนเราตอนเรานั่งสมาธิเราไม่ต้องไปคิดเรื่องปัญญาไม่ตอนนั้นเราเราต้องการให้จิตสงบมีกำลัง <c oughs> ที่จะหยุดความอยากเวลาที่เราจะใช้ปัญญาแต่เวลาเราออกจากสมาธิ เราต้องอพิจารณาปัญญาถ้าเรายัางถ้ายัางจำไม่ได้ยังลืมเราก็ต้องคิดอยู่เรื่อยถ้าเราจำได้แล้วเราก็ไม่ต้องคิดก็ได้ไม่ต้องคิดก็ได้ถ้าเจองูแล้วก็รู้ทันว่าไม่ใช่ตัวเราของเราไม่ต้องตกใจมันจะเป็นยังไงก็เรื่องของมันอย่างนี้ก็ไม่ต้องคิดก็ได้ถ้าจำได้แล้วถ้ามันยังจำไม่ได้ยังคิดว่าเป็นตัวเราของเราอยู่ก็แสดงว่าลืมไปแล้ว ถ้าเจะงูแล้วตกใจก็แสดงว่ายังคิดว่าเป็นตัวเราของเราอยู่ถ้าไม่ตกใจก็แสดงว่าไม่ได้คิดว่าเป็นตัวเราของเราแล้วเราไม่ได้เป็นรนา่างกายก็กัดสิมันก็ต้องตายทุกคนเน่ยจะกัดไม่กัดมันก็ต้องตายแต่วราไม่สนใจไม่สนใจร่างกายเราก็มันไม่ใช่เราเ อ, อ่ะนี่เราเนี่ยเห็นไพอคุยอย่าง น, นี้พอยังกลับมามันยังเราขึ้นมาทันที เพราะมันฝังในใจเราตลอดเวลาว่าเป็นเราเป็นเราเป็นเร า, เเราที่เราต้องมาแก้มันว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราเราเป็นผู้รู้ให้รู้เฉยๆถ้าถึงเวลาที่จะต้องร่างกายมันจะเป็นอะไรแล้วละห้ามไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปแต่ถ้ายังห้ามได้ก็ห้ามไปแต่ไม่ตื่นเต้นตกใจ อันนี้แหละมันเป็นข้อสอบแล้วก็การบ้านก็คือต้องหมั่นคิดอยู่เนืองๆ เ, เพรา ะ, จะเจ้าสาวเนี่เราพิจารณาอยู่เนืองๆว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาถ้าไปอยากให้มันเป็นของเราจะทุกข์ขึ้นมาทันทีถ้าอยากจะให้มันเป็นนิจจังจะทําทให้เราทุกข์ขึ้นมาทันทีอันนี้แหละมันจึงยากตรงนี้มี ฟังมันไม่ยมันไม่ง่ายมันมันยากตรงที่เราหยุดใจไม่ได้หยุดใจที่ยังจะกลับไปคิดแบบเดิมที่ยังจะไปยึดไปติดร่างกายเหมือนเดิมไม่ได้ดึงต้องทำสมาธิให้ได้ถ้าทำสมาธิแยก็ใจออกจากร่างกายได้เพอพ อ, พ อ, พ, อพอใจจะยึดร่างกายมันก็ใช้สติดึงออกได้พอมีปัญญาสอนว่าต้องปล่อยต้องดึงออก เพราะมันจะไม่จะได้ไม่ทุกข์ถ้าไปยึดแล้วมันจะทุกข์เนี่ยมันอยู่ตรงนั้นปัญญามีหน้าที่สอนมีหน้าที่บอกส่วนสติเป็นเป็นมีหน้าที่คอยดึงใจให้ออกไม่ให้ไปเกาะไปติดกับอะไรไม่ไปเกาะติดกับร่างกายอันนี้ต้องปฏิบัติมันถึงจะรู้อันนี้พูดกันไปยังไงมันก็ยังไม่เหมือนกับการที่เราไปปฏิบัติ าจะปฏิบัติมันต้องปฏิบัติแบบตลอดเวลาเนี่ยอาจะแล้วถ้าปฏิบัติเนี่ยมันจะเห็นเหรอครับเห็นอะไรล่ะมันมันจะเห็นอย่างที่ท่านสอนใช่ไหมครับอ่านแล้วเราอะไรมาพูดนะหมายอว่าเวลาเราเราคนที่ยังไม่รู้เลยเวลาปฏิบัติเนี่ยอ่ามันก็ต้องรู้เลยก็มันรู้จากการปฏิบัติการฟังเนี่ยมันเป็นเพียงเหมือนกับเป็นการรู้แนว แนวทางว่าจะ ต, ต้องทำอย่างไรต้องปล่อยร่างกายที่จะสอนใจไงให้มันปล่อยก็สอนความจริงเดยว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแล้วก็ถ้าไปยึดไปติดมันจะทำให้เราทุกข์นี่อันนี้เป็นเป็นแนวทางของปัญญาความรู้ที่จะสอนให้เราปล่อยที่เราจะปล่อยได้หรือเปล่าก็อยู่ที่ว่าเรามีกำลังปล่อยหรือเปล่าเราสู้กิเลสที่มีกาลังยึดได้หรือเปล่า กิเลสมันอุปทานไงมันยึดติดกับร่างกายธรรมะคือปัญญานี้สติคือตัวที่จะมาดึงใจให้ออกจากการยึดติดอยู่ในร่างกายยึงต้องไปฝึกสติให้มากๆแล้วถึงจะรู้เองว่าปล่อยได้ไม่ปล่อยหรือไม่ได้อยู่ที่ตัวสตินี่ถ้ามีสติมันก็ดึงใจให้เข้าสู่สมาธิได้แยกใจออกจากร่างกายได้ อมปล่อยให้ร่างกายตายไปจิตมันก็จะดิ่งเข้าสู่ความสงบเลยม่โดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิเวลาปฏิบัติเจอเหตุการณ์จริงๆจะเหตุการณ์ที่จําเป็นถูกบังคับให้ปล่อยมันจะปล่อยเองถ้ามีสติคอยคุมอยู่อยังมีเรื่องของหลวงปู่หลวงปู่ชอบเนี่ยท่านก็เป็นศิษย์หลวงปู่มั่นท่านก็เป็นพระอาหารหันต์ท่านตายกระดูกรกร้ากลายเป็นพระธาตุ ช่วงที่ท่านปฏิบัตินี้ท่านชอบเดินทุดงตอนกลางคืนท่านชอบถือโคมโคมไฟที่ทําด้วยเทียนทําด้วยผ้าเนี่ยแล้วท่านก็ชอบเดินไปในป่าและบอกคืนหนึ่งที่ท่านเราเดินไปท่านเดินแบบมีสตินะเพราะมันน่ากลัวมันปล่อยให้ใจไปเดินแบบช็อปปิ้งไม่ได้นะมันต้องคอยดูที่เท้าดูที่สิ่งที่ข้างหน้าว่ามีอะไรหรือเปล่า ท่านบอกคืนหนึ่งท่านก็เดินไปเจ้าเอกับสิงเสือโค่งเนี่ยพอพอพอเห็นเสือโค่งปั๊บจิตที่มีสตินี่มันดึงจิตให้เข้าข้างในเพราะความกลัวมันดึงเข้าไปข้างในจิตรวมไม่รับรู้เรื่องของร่างกายไม่รับรู้เรื่องของเสือโค่งเลยแล้วไม่รู้ว่าเข้าไปนานสักเท่าไหร่พอออกมาเทียนที่ อยู่ในโคมไฟนี้มันมอดหมดไปแล้วแต่ร่างกายทั้งก็ยังยืนถือโคมไฟเหมือนตอนที่ก่อนที่ท่านจะเข้าสมาธิร่างกายตอนนั้นก็เป็นเหมือนหุ่นไปเลยเป็นเหมือนกับเอมือนกับพระพุทธรูปอะไรอย่างเงี้ยอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆเสืออะไรไม่กัดมึงเสือมันแล้วไม่รู้ว่าเป็นอะไรเหมือนคิดว่าเป็นต้นไม้มึงนั่นแหละ ท่านึงบางทีต้องไปหาเหตุการณ์เพื่อจะกระตุ้นให้จิตมันแยกออกจากร่างกายถ้ามันอยู่ที่สบายสบายมันจะไม่มีอะไรมากระตุ้นพะธุดงนี้ส่วนใหญ่จึงอยากจะต้องไปอยู่ที่มันเปลี่ยวที่น่ากลัวที่จะทําให้แยกแยกจิตออกจากร่างกายได้พอจะเข้าใจเอง อ็ะ <ผม S 1> จะเข้าใจครับเหมือนแต่ที่เจองูอ่ะหรือว่าถ้า<ป>จาเดียวกันแล้วยังกลัวอยู่แต่ว่าออตอนเนี้ยยังจิตฝุต่งซ้ายไม่ได้ต้องยอมตายต้องยอมตายต้องใช้ปัญญาว่าอ้าร่างกายมันเที่ยงไม่เที่ยงถามกันเลยเอมันไม่เที่ยงมันต้องตายใช่ไหมมันไม่ตายวันนี้ก็ต้องตายพรุ่งนี้อ่าถ้าถึงเวลาวันนี้มันจะตายให้มันตายไปเสียอะจิตมันต้องเด็ดเดี่ยวอย่างนั้นเหมันถึงจะแยกออกจากร่างกายได้ใอ้ก็ไม่ใช่เราอ แล้วหลังจากนั้นมันจะไม่กลัวตายอีกต่อไปแต่มันก็ยังดูแลร่างกายต่อไปเพราะยังมีงานต้องทำต่ อ, mm hmm. อยังมีขั้นของสกิทาคามีอนณาคามีของอรหันต์ต้องทำต่อไปแล้วจบก็ยังมีงานต้องทำต่อต้องมานั่งสั่งสอนญาติโยมอีกก็เลยยังต้องเลี้ยงดูร่างกายต่อไปแต่ไม่ได้เลี้ยงดูด้วยความหวาดกลัวด้วยความกังวลด้วยความ ปฏิพิถีพิถันจะต้องอาหารดีเสื้อผ้าดีที่อยู่อาศัยดีอะไรย่งี้ไม่จาเป็นขอให้มันอยู่ได้ก็พอเลีย้ยงดูมันไปถ้ามันอยู่ไม่ได้ก็ให้มันตายไปยพระพุทธเจ้า45ปีหลังจากตัดสโลก็ยังดูแลร่างกายอยู่ก็ไปบินทบาทั้นนั่นเองแต่ไม่กลับไปอยู่ในวังใช่ไหมท่านก็ยังอยู่ ตามป่าตามเขาตามโคนไม้หรือแล้วแต่ถ้ามีศรัทธาสร้างวัดให้อยู่ก็ไปประทับบ้างออแล้วก็ท่านการะจ้าลีกไปเพื่อเผยแผ่คําสอนให้กว้างขวางสมัยก่อนไม่มีสื่ออย่างเราเนี่ยสมัยนี้ไม่ต้องไปไหนแล้วนั่งอยู่ตรงนี้มันไปรอบโลกได้แล้วสมัยก่อนเนี่ยพระเจ้าเจ้าต้องคอยต้องเปลี่ยนที่เลยเดี๋ยวอยู่หมู่บ้านนี้สักพักนึงก็ย้ายไปอีกบ้านหนึ่งไปไปอีกเมืองหนึ่ง เพื่อจะได้ไปโปรดคนที่อยู่ตามเมืองต่างๆให้ได้ยินได้ฟังธรรมะคําสอนเนี่ยท่านก็ต้องดูแลร่างกายพระพุทธเจ้าผ้าหลานทุกลูกท่านก็ยังไม่ฆ่าตัวตายคนก็ถามว่าเอาถ้าบรรู้แล้วไม่ต้องใช้ร่างกายแล้วเลี้ยงมันไปทําไมทำไมไม่ปล่อยให้มันตายก็เพราะว่ามันยังอยู่ได้มันยังใช้ประโยชน์ได้ถ้าไม่ใช้ศาสนาพุทธจะมาอยู่มินจนาทิวันนี้ได้อย่างไง แล้วจะมีพระอาหารหันต์องค์ใหม่ๆปรากฏขึ้นมาได้อย่างไรถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ากับพระอาหารหันต์ช่วยกันมาเผยแผ่สั่งสอนอืทำเหล่านี้มันต้องคนที่สําเร็จจริงๆถึงจะสอนได้เหมือนอาจารย์ในมหลาลัยก็ต้องจบปริญญาจริงๆถึงจะไปสอนเด็กในมหลาลัยได้ถ้าเ ป, เป็นเป็นปริญญาปลอมไปสอนเด็กเด็กมันก็รู้ใช่ไออ ก็เลยยังต้องดูแลร่างกายต่อไปแต่ไม่ได้ดูแลเหมือนกับตอนที่ที่ยังไม่ได้ปล่อยตอนนั้นกังวลวิตกเป็นอะไรนิดเป็นอะไรหน่อยก็กลัวขึ้นมาแล้วแต่ตอนที่ปล่อยแล้วที่มันจะเป็นอะไรก็ไม่กลัวเฉยเฉยก็แก้ปัญหาไปมันเจ็บท้องก็หายามากินปวดหัวก็ยหายามากินหรืออะไรทำให้มันหายก็ทำไปถ้ามันไม่หายก็อยู่กับมันไป อ่านี่เกิดสักกายาทิฏฐิสังโยชน์เนี่ยตั้งสัโยชน์หนึ่งถึงสิบเนี่ยมันต้องมีสมาธิอปปนาไปแล้วแล้วก็มีปัญญามาคอยพิจารณาไอ้ตัวที่เป็นปัญหานั้นอย่างอย่างต่อเนื่องอย่างเนืองเนืองอย่างไม่ให้มันลืมอย่างเช่นเราร่างกายแล้วก็สักกายาทิฏฐิเนียร่างกายกับเวทนาขันห้าเนี่ยเราพิจารณาสักกายาทิฏฐิก็คือขันห้า ขณะก็มีสองพวงร่างกายก็พวงหนึ่งร่างกายมาจากธาตุสี่นามขันคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นอีกพวงหนึ่งอันนี้ก็พิจารณาว่ามันไม่เที่ยงเหมือนกันเราพิจารณาที่ตัวเวทนาตัวเดียวก็พอแล้วมันจะไปด้วยกันมันจะแก้ปัญหาไปพร้อมกันเพราะสัญญาสังขารวิญญาณกับเวทนานี้มันจะทํางานไปพร้อมๆกัน ทุกเวทนามันเกิดขึ้นมาสังขารมันก็จะปรุงไปในทางอยากให้มันหายพอเกิดอยากให้มันหายก็ทุกข์เหมือนกับร่างกายอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่ตายอันนี้ก็เหมือนกันพอเกิดทุกขเวทนาะสังขารก็จะปรุงไปทางสมุทัยทันทีอยากให้มันหายพออยากให้มันหายใจก็ทุกข์ขึ้นมาทันทีก็ต้องหยุดสังขารตัวนี้ ด้วยการพิจารณาเวทนาว่ามันเป็นอนัตตาเหมือนกันเราห้ามมันไม่ได้ไปสั่งมันไม่ได้สั่งให้มันมีแต่สุขเขเวทนาอย่างเดียวไม่ได้มันสลับกันไปสลับกันมาเหมือนดินฟ้าอากาศเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวลมพัดเวทนาก็เดี๋ยวก็สุขเขเวทนาเดี๋ยวก็ทุกขเวทนาเดี๋ยวก็ไม่สุขไม่ทุกขเเวทนา เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ทุกขเวทนาเดินไปเตะก้อนหินก็ทุกขเวทนาหิวข้าวก็ทุกขเวทนาพอได้กินข้าวอิ่มก็สุ ข, ขเวทนาขึ้นมาเวลาไม่หิวเวลาไม่อิ่มก็เป็นเวทนากลางๆมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามเหตุตามปัจจัยเราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้ทั้งสามอย่างส่วนใหญ่เราอยู่มันได้สองอย่างสุ ข, ขเวทนากับ ไม่สุขไม่ทุกขเวทนาแต่พอเจอไอตัวทุกขเวทนานี้เราเกลียดมันเรารังเกียจมันเราก็เลยทุกขกับมันเวลามันโผล่ขึ้นมาดังนั้นเราต้องเลิกเกลียดมันหัดรักมันหัดต้อนรับมันเวลาไม่สบายโอ้ดีใจไม่ได้เจอเธอต้องนานมาเยี่ยมเยิยนแล้วอ่ามันก็จะได้ไม่ทุกข์ไงใช่ไหมแล้วเม่ยังก็ทําใจเฉยๆก็ต้องใช้สติหยุดความอยากหยุดความคิด หยุดความคิดที่อยากจะให้ความอยากความทุกเวทนานี้หายไปใช้ปัญญาคิดทางปัญญาแทน้เอาสังขารมาคิดทางปัญญาแทนคิดว่ามันเป็นอนิจจังเป็นอนัตตามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวมันก็ไปเดี๋ยวมันก็มาห้ามมันไม่ได้เหมือนกับฝนฟ้าอากาศเราก็ห้ามมันไม่ได้แต่ทำไมเราอยู่กับมันได้เพราะเรารู้ว่าเราไปห้ามมันไม่ได้ฝนตกเราก็อยู่กับมันฝนแรงเราก็อยู่กับมัน อันนี้ก็เห ม, หมือนกันเมตนามันก็เหมือนกันมันมามันเดี๋ยวสุขมาแล้วก็ไปทุกมาแล้วก็ไปไม่สุขไม่ทุกมาแล้วก็ไปสลับกันไปอย่างนี้ ท, น ท, นนท่านอาจารย์ทั้งนี้ถ้าอุเบกขาเนี่ยที่ท่านสอนเนี่ยมันเกิดจากสมาธิก็ได้เกิดจากสติได้ไหมครับก็สตินี่แหละทําให้ประกิศสมาธิหัาใจ ถ้าไม่มีสติมันนั่งสมาธิไงก็ไม่มีสตก็ไม่เป็นสมาธินั่งแล้วก็คิดฟุ้งซ่านอย่างนี้แสดงว่าไม่มีสติต้องหยุดความคิดฟุ้งซ่านก่อนมานั่งมันนั่งให้มันอยู่กับพุทโธอย่างเดียวอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวแล้วมันก็จะเข้าสู่สมาธิพอมันได้สมาธิมันก็จะได้อุเบกขาฌานสี่ไงฌานสี่นี่มีอุเบกขาหอมไปด้วยกัน มันเป็นไปด้วยสติสติเป็นตัวทำให้เข้าสมาธิได้พูดง่ายๆถ้าไม่มีไม่มีเบรกรถก็ไม่หยุดใช่ไห ม, ไมอ่านั้นต้องมีเบรกเราเหยียบเบรกแล้วรถไม่หยุดนั่นต้องไปเข้าอู่ใช่ไหมเดี๋ยวกลัวเดี๋ยวไปชนกับคันอื่นเวลาไปถึงสี่แยกไฟแดงแล้วจะหยุดหยุดไม่ได้เราก็ต้องไปติดเบรกไปซ่อมเบรกอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเรา นั่งสมาธิแล้วไม่สงบ ก, ก็สแสดงว่าไม่มีเบรคไม่มีสติก็ต้องไปฝึกสติเนี่ยให้พุโทโธพุโทโธไปลืมตาขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธอย่าไปคิดเพ้อเจอ้อเพ้อฝันอย่าไปคุยกับตัวเองเราชอบคุยกับตัวเราทั้งวันใช่ไหมคุยกับเราแล้วก็วิพากษวิจารณ์คนนั้นคนนี้ไปเรื่องราวเหล่านี้ต้องหยุดมันให้ให้มันให้มันใช้กับสิ่งที่จําเป็นเท่านั้นเช่นเวลาเราต้องทำ ภารกิจอะไรก็ต้องใช้ความคิดมากน้อยตามตามแต่ภารกิจนั้นถ้าถ้ามีภารกิจที่ต้องใช้ความคิดมากก็ไม่ดีเพราะมันจะทําให้เราไม่หยุดคิดยเลองหาภารกิจที่ไม่ต้องใช้ความคิดมากก็ต้องภารกิจของนักบวชนักบวชไม่ต้องคิดอะไรมากคิดแต่บินรบาดเอาแต่เวลาก็หิ้วบาตรเข้าหมู่บ้านไปเวลาเดินนับบาตรก็ไม่ต้องคิดอะไรคิดถึงเวลาเปิดฝาบาตรปิดฝาบาตร ก็าไม่ต้องคิดมากไม่เหมือนกับคาราวาสเวลาไปขายประกันเวลาจะทำอะไรนี่โอ้หต้องคิดวางแผนกันต้องประชุมกันต้องปวดหัวอย่าง น, นี้เรียกว่างานเหล่า น, นี้มันมารบกวนมาขัดขวางการเข้าสมาธิพวกที่ต้องการเข้าสมาธิต้องไม่มีภารกิจวุ่นวายมาให้ให้คิดให้กังวลต้องไปเป็นนักบวชดีที่สุด พระนักบวชไม่มีอะไรต้องคิดนอกจากเลี้ยงดูตัวเองเท่านั้นเองแล้วก็ดูแลรักษาความสะอาดของพื้นที่ที่เราอยู่พักอยู่อาศัยเราก็มีเวลาจเจริญสติได้ควบควบู่ไปกับการทํางานอย่าพระเขาปัดกวาดเขาก็พุโทโธพุโทโธไปพระบินาบาตะท่านก็พุโทโธพุโทโธนั่นไปเวลาท่านขบชันท่านก็พุโทโธพุโทโธไปถ้ายอมไปวัดอยู่ที่วัดปฏิบัติเนี่ยจะแปลกใจว่าทําไมพระไม่คุยกัน ถ้าไม่รู้สมัยก่อนชาวบ้านไม่รู้ทำไมพระวัดนี้ไม่คุยกันเลยออกมาโกรธกันหรือเปล่ามาถามท่านไม่ได้โกรธกันหรอกท่านกำลังเจริญสติท่านหยุดความคิดท่านไม่ต้องการที่จะมาใช้ความคิดคุยกันให้เสียเวลาท่านต้องการควบคุมความคิดหยุดความคิดกันแล้วท่านก็ไม่มาคุกกีกันมากเกินไปไม่มาสังคมเหมือนชาวบ้านพอทาเสร็จภารกิจก็แยกกันไปแล้ว ปัดกว่าเสร็ก็แยกกับกุฏิชั้นเสร็จก็แยกกับกุฏิไปไปเดินโงกลมไปนั่งสมาธิไปคุมสัตว์ไป ค, ควบคุมความคิดไปเจริญสติถ้าได้สมาธิแล้วก็ออกจากสมาธิก็มาคิดทางปัญญาได้ต่อไปคิดว่าเวทนาไม่เที่ยงคิดว่าร่างกายไม่เที่ยงเพื่อจะได้ปล่อยมันคิดว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราเราสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้ แล้วต่อไปพอมันไม่ลืมพอถึงเวลาที่จะไปควบคุมมันก็จะหยุดมันทันทีเพราะปัญญามัสามารถควบคุมบังคับมันไม่ได้ถ้าไปควบคุมบังคับแล้วมันมันไมันไม่ได้ดังใจมันจะทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปควบคุมบังคับมันปล่อยมันไปอันนี้ก็จะละสักกายทิฏฐิได้ละสักกายทิฏฐิได้ก็จะละ วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในพระพุทธรธรมรมะสงได้พราะมีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าเห็นอริยาาสัจสี่เห็นว่าทุกข์เกิดจากความอยากให้ร่างกายให้เวทนาหายไปเวลามันทุกข์เวลาร่างกายก็อยากให้มันไม่ตายไม่แก่อยากให้มันแข็งแรงสมบูรณ์ความอยากเหล่านี้มันทำให้เกิดความทุกข์เพราะมันไม่ได้เป็นไปดังใจอยากเสมอ เพราะร่างกายมันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นอนัตตาเราควบคุมบังคับมันไม่ได้ก็จะเห็นอริยาสาัจสีเห็นเห็นทุกขสมุทัยนิโรธมรรคก็คือปัญญาที่เห็นว่าอนิจจังทุกขังอนัตตานี่ก็จะทำให้เกิดนิโรธขึ้นมาความทุกข์ก็จะไม่เกิดร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็จะไม่ทุกข์กับร่างกายก็ไม่สงสัยในพระพุทธ พระธรรมเพราะผู้ผู้เห็นธรรมก็ต้องรู้ว่าธรรมนี่มันมาจากพระพุทธเจ้าเลยคือเราฟังนี่ฟังมาใช่ไหมใครเป็นคนสอนพระธรรมก็พระพุทธเจ้าอย่างั้นก็จะไม่สงสัยพอเห็นธรรมแล้วก็ต้องรู้ว่าธรรมนี่เป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้แล้วเอามาสอนพวกเราแล้วก็จะไม่สงสัยพระอริยะเจ้าว่ามีจริงหรือไม่ก็ผู้ที่รู้เห็นอริยสัจสี่นี้ก็เป็นพระอริยะเจ้าขึ้นมาเป็นพระโสดาบันขึ้นมา แล้วก็จะละศิลัพัต์ปรมากได้ศิลัพัต์ก็คือการไม่รู้ว่าต้นเหตุสาเหตุของความทุกข์ใจเราเกิดจากอะไรเวลาเราไม่สบายใจเราก็จะไปหาวิธีแก้ไปหาหมอดูบ้างไปเปลี่ยนชื่อบ้างไปเปลี่ยนนามสกุลบ้างไปบูชาลาหุ่นบ้างไปลอดใต้ทุนโบสถ์บ้างจิตปาถะวิธีของการที่จะทําให้เราสบายใจแต่มันไม่หายหรอกเพราะมันไม่ได้ไปแก้ที่ต้นเหตุ ข้อเหตุขงความทุกข์ใจมันเกิดอยู่สองอย่าง1นงึเกิดจากการทําบาปเวลาเราทําบาปแล้วเราจะไม่สบายใจข้อเหตุที่สองก็คือเกิดจากความอยากอยากแล้วไม่ได้ดังใจก็เสียใจทุกข์ใจนี่เป็นพระโสดาบันท่านก็จะไม่ท่านจะรักษาศีลท่านรู้ว่าการทําบาปนี้เป็นการมาสร้างความทุกข์ให้กับใจ แล้วท่านก็จะระงับความอยากในสิ่งที่ในขั้นที่ท่านระงับได้ขั้นนี้ท่านก็ระงับได้ในเรื่องของร่างกายในเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายแต่ท่านยังมีความอย า, อยากอย่างอื่นที่ยังละไม่ได้ที่จะต้องละต่อไป mm hmm. ก็เป็นงานที่จะต้องก้าวต่อไปเป็นขั้นของพระสกิร์ดาคามีพระอนาคามี เพราะว่าใจยังมีความอยากมีแฟนอยู่ยังอยากหาความสุขจากการร่วมหลับนอนกันอยู่อันนี้ต้องเปลี่ยนเป้าหมายของการพิจารณาปัญญาจะมาคิดว่าแก่เจ็บตายนี้มันไม่มันไม่ดับการมาราคะได้มันต้องมาพิจารณาดูความไม่สวยงามของร่างกายดูส่วนที่ไม่สวยงามดูส่วนที่น่ารังเกียจของร่างกายแล้วมันก็จะทําให้ความรักในร่างกายนั้นหายไป อันนี้ถ้าทําได้พอประมาณที่เรียกว่าทําให้เบาบางลงก็ได้ขั้นที่สองขั้นสกิดาคามีถ้าทําให้มันหายหมดเลยก็เป็นพันนาคามีก็จะละสองโยตสองตัวที่มันมาเป็นคู่กันคือการมาราคากับปฏิฆะความหงุดหงิดใจมันมาพร้อมกันเวลาเกิดการอารมณ์แล้วมันก็จะหงุดหงิดใจแต่เราไปแก้ด้วยการไปทําตามการอารมณ์ ความหงุดหิดใจก็หายแต่หายชั่วคราวเดี๋ยวความการอารมณ์เกิดขึ้นมาใหม่ความหงุดหงิดใจก็เกิดโผล่ขึ้นมาอีกแต่ถ้าเราใช้วิธีที่พระเจ้าใช้คือใช้อสุภะมันก็จะระงับตามอารมณ์ได้เพราะการอารมณ์ระงับไปความหงุดหงิดใจก็จะหายไปเนี่ย น, น้กะระสังโยชได้ห้าตัวในปัญญามันจะเปลี่ยนเป้าหมายไปเรื่อยๆเป้าหมายของปัญหา สังโยชน์เหมือนเชือกมัดใจให้ลัดติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดสังโยชน์ทั้นตามห้าข้อ น, นี้ลัดใจให้ติดอยู่กับร่างกายให้ดึงใจกลับมาเกิดในภพของมนุษย์ในภพของเทวดาในการมาพบเพราะยังมติดกาบการเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆอยู่ เทาละสังโยชน์ห้าข้อนี้ได้ก็จะไม่มีตัวที่จะรัดใจให้กลับมาเกิดในกามะพมแต่ยังไปติดอยู่ในรูปะพบกับรูปะพบก็ยังไปติดอยู่ในความสงบของฌานของสมาธินี้ก็เรามาพิจารณาฌานสมาธิว่ามันไม่เที่ยงอยากไปยึดไปติดมันสงบเวลาบางทีมันก็ไม่สงบเวลาเข้าฌานก็สงบเวลาออกจากฌานมามันก็ไม่สงบ น้นถ้าไปติดให้มันสงบอย่างเดียวมันก็จะทุก์เวลาเวลามันไม่สงบ<ม>ก็ต้องรู้ว่าจิตนี้มันมีทั้งสงบและไม่สงบต้องหัดอยู่กับมันให้ได้ทั้งสองแบบอยู่แบบสงบก็ได้อยู่แบบไม่สงบก็ได้เข้าฌานก็ได้ไม่เข้าฌานก็ได้ต้องไม่ทุกข์กับมันแต่ใหม่ๆนี้มันติดฌานไงมันมีความสุขเวลาเข้าฌานเวลาออกมาจากฌานแล้วความสุขนั้นมันหายไป แล้วยังมีเรื่องวุ่นวายใจได้เพราะยังมีกิเลสที่บาก่อมีสมุทัยที่ยังมาก่อความทุกข์ใจได้คืออัตตาตัว ต, วตนการถือตัวนี่ถือว่าเราสูงกว่าเขาสูถือว่าเราเท่าเขาถือว่าเราต่ากว่าเขาแล้วเกิดใครมาดูถูกดูแคลเราเราสูงกว่าเขาเขาต่ากว่าเราแล้วไม่เคารพเราเนี่เดี๋ยวจิตก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาได้ไม่พอใจได้ทุกข์ใจขึ้นมาได้อันนี้ก็ตองพิจารณา ว่ามันไม่มีตัวตนมันมีแต่ตัวรู้ไอ้สูงกว่าต่ำกว่านี้เป็นสมมุติเรามาสมมุติกันเองใครเกิดก่อนเราเราก็เรียกว่าพี่ใครเกิดหลังเราก็เรียกว่าน้องแต่มันก็จิตเท่ากันเขาก็มีจิตเหมือนเราเขาก็มีร่างกายเหมือนเราแต่เราไปสมมติแล้วเราก็ไปยึดติดกับสมมุติว่ากูเป็นพี่มึงต้องคารุบกู่ังมึงไม่คารุบกูกูก็โกรธมึงขึ้นมา วันนี้ปัญญาเ็าต้องมาคอยแก้คอยแ ก, ยแก้เรื่องตัวอัตตาตัวตนว่าในโลกนี้มันก็มีแค่ตัวรู้เท่านั้นที่เรามาสมมุติกันพอม พ, พอมีร่างกายเราก็สมมุติไปตามสมมุติเขาจบโทรเราจบตีครับ เ, เขาต้องเก่งกว่าเราเขาเป็นนายพลเราเป็นนายพันเนี่ยเขาสูงกว่าเราแยวเขาก็ต้องเขารบเขาอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดไม่เขารบก็เขาก็เสียใจเขาก็โกรธเรา แล้วเขาก็จะมาลงโทษเราอันนี้ก็เป็นเรื่องของปัญญาที่งพิจารณาเรื่องมานะการถือตัวแล้วก็พิจารณาค้นหาความอยากที่ยังเหลืออยู่ในใจว่ามันยังอยากอะไรอยู่เปล่าก็สังเกตดูเวลาใจไม่สบายอะไรขึ้นมามันแสดงว่ายังมีความอยากอยู่มันก็ต้องค้นหาไปเรื่อยๆจนกว่าความอยากที่เหลืออยู่ในใจนี้มันหมดไป ไม่มีความอยากเลยออต่อไปความไม่สบายใจไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปก็รู้ว่าหมดปัญหาไปสังโยชนทั้งหมดในสิบตัวรูปรูปปาคะอรู ป, ปราคะก็เคือความยึดติดในฌานรูปฌปานอรูปฌานมานะก็คือการถือตัวเออุทธัจจะคือความฟุ้งในการใช้ปัญญาค้นหากิเลส ท, ที่ยังมีอยู่ในใจค้นไปมากๆมันก็ฟุ้งขึ้นมาได้เอ บางทีพอฟุ้งก็ต้องหยุดต้องกลับเข้าไปพักจิตในสมาธิต้องค่อยกลับมาค้นคว้าใหม่จนกว่าจะหมดอย่างพระ อ, อนนท์เนี่ยไปติดที่ความอยากจะไปนิพพานพอพระ พ, พ, พ, พุทธเจ้าทรงพยากรณว่าหลังจากพระพุทธเจ้าตายไปสามเดือน อ, อนอนท์เธอจะได้บรรลุถึงนิพพานนี่เกินสุดท้ายแล้วยังไม่บรรลุสักที พยายามพิจารณารมต่างๆที่พระเจ้าสอนให้พิจารณานิจังทุกขังอนะัตตาลูปราคะอะไรก็ค้นหาไปหมดแต่มันยังไม่บรรลุมันยังรู้สึกว่ามันไม่เบาอกเบาใจไม่สบายอกไม่สบายใจมีอะไรข้างค้างอยู่ในใจก็คือความอยากนี่ความกังวลกังวล ว, ว่าไอ้เราคงจะไม่ได้บรรลุแล้วมั้งพราะพุทธเจ้าสาธพยากรณ์ให้เราเราคงมัน ปฏิบัติไม่ถึงมั้งหรืออะไรก็เลยพยายามปฏิบัติปฏิบัติจนกระทั่งมันก็ไม่บรรลุมันฟุ้งฟุ้งด้วยความอยากอยากอยากบรรลุพอใกล้สว่างหรือว่าไม่มีคงจะไม่ได้บรรลุแน่ๆแล้วก็ยอมยอมยอมรับความจริงว่ากูไม่บรรลุแน่ๆไปนอนดีกว่าพอช่วงไปนอนเนี่ยมันก็เลยหยุดความอยากที่อยากจะบรรลุมันก็หายไปพอไอตัวที่มาขวางตัวบรรลุหายไปมันก็บรรลุขึ้นมา บรรลุในช่วงที่ก่อนจะนอนช่วงท่าระหว่างท่านั่งกับท่านอนนั่นว่ายังมีความอยากอยู่เนี่ยวิชาคือไม่รู้ว่าความอยากที่ยังมีอยูแล้วอยู่ในใจนี้คือตัวไหนอานุ์ก็บรรลุว่าอ๋อความอยากไปนิพพานนี่เองความอยากที่จะบรรลุทําให้ตนเองเลยไม่บรรลุทักที ถึงตอนนั้นแม้แต่อยากจะไปนิพพานก็ต้องหยุดเข้าใจไหม อ, อันนี้ยาวนี้ก่อนเวลาแล้ว <c oughs> ก็วันนี้ได้แสดงเข้าใจแล้วนะเรื่องทำไมถึงจะต้องปฏิบัติแบบเป็นขั้นเป็นตอนจริงๆถ้าจะต้องการที่จะแก้ปัญหาตัวที่แท้จริงคือตัวนิสังโยชน์สิบเนี่ยมันต้องมีสติที่สมบูรณ์ สติที่ต่อเนื่องไม่ขาดตอนแล้วก็มีเข้าสมาธิได้เพราะต้องอาศัยกำลังของสมาธิมาช่วยในการเอาปัญญามาหยุดความอยากต่างๆปัญญาจะสอนเหตุผลไงว่าทำไมต้องหยุดส่วนสมาธิเป็นผู้ที่จะใช้กำลังหยุดเมื่อก่อนเขาก็ใช้กำลังหยุดแต่เขาไม่ได้หยุดหยุดเพื่ออะไรเขาก็หยุดไปเห็นว่าหยุดแล้วสบายใจเขาก็หยุด สมัยที่พระเจ้ายังไม่ได้ตัดสรุ ป, ปัญญาพวกหนูสีเขาก็เข้าสมาธิได้เขาก็หยุดได้แต่พอเขาออกมาเขาไม่หยุดความอยากพอความอยากเกิดขึ้นเขาก็หลงไปกับความอยากอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเหมือนเดิมเพราะมีพระเจ้าเนี่มาเห็นว่าเนี่ยตัวนี้เป็นตัวที่ทําให้ทุกข์กันเอาละนะวันนี้ก็คิดว่าเดี๋ยวสรุปอีกทีงั้นต้อง ถ้าจะปฏิบัติจริงๆมันก็ต้องอย่างนี้ต้องสติแล้วก็สมาธิให้มันได้อัปปนาแล้วพอได้ัปนาแล้วทีนี้ก็มามาพิจารณาปัญญาแต่ละขั้นไปปัญหาแต่ละขั้นไปเมื่อขั้นตนก็ร่างกายแก่เจ็บตายมีทั้งเวทนาเจ็บก็คือเวทนาแก่ตายก็ร่างกายไม่เที่ยงเป็นอนัตตาขั้นต่อไปก็อสุภะกรรมจักามลาคะ การต่อไปก็ไปพิจารณาฌานต่างๆว่ามันไม่เที่ยงเหมือนกันมานะการถือตัวถือตนแล้วก็กวิชาความหล ง, ย, ง, ย, ง, ย, งยังไม่ยังยังไม่ยังไม่เห็นความอยากที่ยังมีหลงเหลืออยู่ในใจว่ามันยังมีอยู่หรือไม่มีอยู่เนี่ยอันนี้ในกวิชาอะจะต้องทําแบบแบบระบบเหมือนเข้าเข้ามาหาอะไ เขาต้องสอนวิชาชั่วโมงนี้ต้องเรียนวิชานี้ชั่วโมงนี้ต้องเรียนวิชานั้นะมันถึงจะได้เรต้องสอบผ่านวิชานี้ก่อนถึงจะไปเรียนวิชานั้นได้เออถ้ายังไม่ผ่านก็ไม่ให้ไปเรียนอีกวิชาหนึ่งเพราะมันไม่มีภูมิไม่มีกําลังที่จะไปเรียนได้อันนี้ก็เหมือนกันถ้าจะเอาเป็นเป็นเรื่องเป็นราวมันต้องสติสมาธิปัญญาไป แต่ถ้าเริ่มต้นนี้มันยังแบบว่ า, ามันยังไม่เป็นระบบก็เอาไอ้นั่นบ้างไอ้นี่บ้างแล้วแต่นึกถึงอะไรได้ก็เอาเห็นนึกถึงพุทโธก็พุทโธนึกถึงอนิจังอานิจังบ้างานั่งสมาธิบ้างอะไรแล้วแต่เหตุการณ์อันนี้เป็นเพราะว่าเรายังไม่ได้เข้าสู่มหาไหลยัยเรายังเป็นแบบเรียนอยู่นอกค้องเรียนเรียนตามอารมณ์อยากจะเรียนวิชาไหนอยากจะอ่านหนังสือเล่มไหนก็หยิบมาอ่าน มันก็เลยยังไปไม่ถึงไหนถ้าจะให้มันไปถึงไหนมันจะต้องเข้าสู่ระบบอาแล้ะนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาเรวหาปุราปาริกปุเรนติสากลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปฏิ อิติตังปะติตังตุมหังคิปะเมวาสะมิจจัตุสัพเพปเรนตตจังกบาจันโทปนะอาราโสยะธามณิโชติอาระโสยะธาสัพพิติโยวิวัจจันโตสัพพะโรโขวินัสสตุ มาเตภวัตะวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธนศีลิสานิจจังวุทธาปจายโนจตารโหธรรมวาทันติอายุวันโอสุขังภาลาง เดี๋ยวขอทดสอบตรวจสอบสถิติก่อนวันนี้คนเข้ามาเท่าไหร่วันนี้ทาง Facebook เข้ามา285ย t u b บ263วิทยุออนไลน์52รับฟังข้างบนเขา29คนรวมทั้งหมด629ครับอ๋ออันนี้เ c e b o o กมีปัญหาเลย <c oughs> ยธรรมดาคนต้องเข้ามาสามสี่ร้อยเหลือสองร้อยกว่าแต่คงยายย้ายไปที่ y o u ูทูปกันสองร้อยกว่าสอง้อยสิบเกินสองร้อยแล้วนะเมก่อนนี้ไม่เคยไม่ถึงสองร้อย ก็ต้องเปลี่ยนซิมแล้ยวไงแล้วว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอใช้ไปสักพักหนึ่นไงไอให้ให้ใ ห, ใ ห, ให้อากาศดีๆแบบนี้ <c oughs> เกรงใจเจ้าภาพเลย <c oughs> มีเจ้าภาพดีแท็กเขาเดี๋ยวไม่ใช่ของเขาแล้วก็จะเสียใจครับ <c oughs> อาจจะเป็นเพราะว่าแสงสว่างไม่พอหรือเปล่าชาร์จแบตไม่พอหรือเปล่าเป็นที่สัญญาณเป็นที่เสาหลักข้างล่างมากกว่าครับใครอยากจะถามเลยยกมือขึ้นจะส่งไมโครโฟนไปให้ ่ะจะส่งไมโครโฟนไปให้จะได้ยินคําถามด้วยี่ให้เป็นไรเราเราเป็นนักเรียนทุกคนเป็นนักเรียนเรียนไม่เข้าใจอะไรก็ถามได้<ต>พูดใกล้ใกปากหน่อยคุณ เ, <แ>เดี๋ยวคนออไม่ได้ยินคําถามพูดใกล้ๆๆใกลปากหน่อยคื อ, คอสําหรับตัวเองเนี่ยค่ะตอนเนี้ยใกล้ใกลปากหน่อยมีความรู้สึกยกยกไมโครโฟนใกล้ใกลเอาอันนี้ค่ะคะแล้วอ่า มีความรู้สึกว่าเวลาเรามาวัดเนี่ยมาทําบุญเนี่ยเรากลับไปพร้อมกับความโชคดีบรรลุผลอย่างที่เราคิดเสมอเลยไม่รู้จะเป็นอุปทานของตัวเองหรือเปล่าว่าทุกๆครั้งที่เราะจะไปทําอะไรที่ยิ่งใหญ่สำหรับตัวเองเนี่ยเรามาวัดแล้วเรารู้สึกว่ากลับไปแล้วเราบรรลุผลคิดแบบนี้ถูกไหมคะอจาร ก็ถ้ามันเป็นความจริงก็ถูกฮะถ้ามันไม่เป็นความจริงมันก็ไม่ถูกแล้วก็ต้องคอยเก็บสถิติไปเรื่อยๆมันจริงทุกครั้งหรือเปล่าแล้วก็ชอบเป็นแบบนี้บ่อยๆก็ต้องทําสติสถิติดูก็แล้วกันั้นก็ดีสิอย่างนั้นอยากจะได้อะไรก็มาทําบุญก่อน น, นออะนะะคถ้าได้ก็ดีแต่มันไม่ได้ตามหลดทําแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเนาะคนที่มาทําบุญแล้วไม่ได้ก็เยอะแยะไป เพราะความต้องการของแต่ละคนนี่มันอาจจะยากง่ายของเรามันอาจจะง่ายมันมาไม่มามันก็ได้อยู่ดีจนมีมคำทักตัวเองมาในช่วงนี้ว่ารู้สึกว่ามีเรื่องดีๆที่เป็นโชคดีเข้ามาในชีวิตช่วงเนี้ ม, มากเกินความคาดหมายที่ที่เคยคิดไว้ก<ะ>็อาจจะเป็นหลายเหตุก็ได้มั้งมันเป็นช่วงที่ ทุกอย่างมันกำลังขาขึ้นใช่ค่ะต่อไปมันก็จะมีขาลงนั่นสิคะถึงตอนนั้นจะทำยังไงคะก็ทำใจสิ อ, <laughs> อย่าไปหลงละเิง <ไป S 1> เพราะว่<ๆ>าการทำบุญนี้มันไม่ได้เป็นเหตุที่ทำให้ทุกอย่างขึ้นไปเรื่อยๆอเพราะมันจะต้องมีลงการทำบุญนี้มันทำให้เรามีภูมิต้านทา น, ทานเวลามันลง คือเราทำใจได้ง่ายกว่าคนที่ไม่ได้ทำบุญแล้วก็จะจะเข้าใจตรงนี้ค่ะแต่พอถึงเวลาหนึ่งเนี่ยเรามานึกว่าคือเรามองมันมีปัญหาเหมือนกันนะคะแต่เรามองไม่เห็นปัญหาก็จะมองข้ามไปเรื่อยๆเหมือนกับว่าเราได้ผ่านกระ บ, บวนการที่เราเคยผ่านการนั่งสมาธิหรือเข้าวัดหรือว่าได้ปฏิบัติธรรมมาบ้างเนี่ยมันทำให้เราเข้าใจว่าเรื่องที่มันเป็นปัญหาเนี่ยถ้ามันอยู่ใน ความคิดของเรามันจะทำให้เราก้าวหน้าไม่ได้มันก็ถูกขจัดออกไปก่อนแล้วเราก็ฆ่ามันไปแต่สามวันนี้นอนไม่หลับมีมีเรื่องส่วนตัวคือมีทรัพย์อยู่สี่ส่วนมีอยู่ห้าส่วนคิดว่าจะให้ลูกกับคนละส่วนแล้วก็ส่วนที่ของตัวเองเนี่ยก็มีคนที่ติดต่อมาว่าต้องการจะซื้อเราก็คิดว่าจะขายทรัพย์นี้แล้วก็จะเอาเงินเนี่ย ไปเก็บไว้เพื่อที่ให้เราได้ใช้ชีวิตบ้านปลายแบบมีโอกาสได้คือถ้าเราไม่มีรายได้นี่คือเงินที่จะเราจะมีโอกาสได้อยู่กับวัดอันนี้คือพูดจากหัวใจเลยว่าถ้าวันหนึ่งที่เราปลดกเกษียณแล้วเราอายุมากแล้วเนี่ยเราควรจะมีรายได้จากทรัพย์สินหรือเงินออมที่เป็นดอกเบี้ยทําให้เราได้มาวัดได้ทําให้เราไม่ต้องทํางานและเราก็อาจจะมีประโยชน์ในเรื่องของการที่ตั้งใจกับตัวเองว่า เคยไปปฏิบัติธรรมที่วัดผาณิตารามแล้วก็ได้เห็นวนะ่าบริษัทเอสเนี่ยเขาเป็นเจ้าภาพเลี้ยงคนปฏิบัติธรรมเนี่ยอันนั้นก็เป็นความตั้งใจแรกเลยนะคะที่บอกว่าถ้าเราทํางานแล้ววันหนึ่งเนี่ยเรามีซัพย์เราอยากให้ทรัพย์ของเราเนี่ยเพียงพอที่จะเอื้อเฟื้อผู้ที่มาปฏิบัติธรรมอย่างที่เราเคยได้รับนี่เป็นปณิธานที่ตั้งใจว่าตอนที่เราอายุมาก แ, แล้วเราหยุดงานแล้วเราจะเป็นประโยชน์กับศาสนาดด้านนี้ อาจารย์คะพอมาถึงความคิดเนี่ยหยุดชะ ง, งักตรงที่ว่าลูกมาบอกว่าแม่จะขายตึกนี้เหรอถ้าจะขายลูกจะเป็นคนซื้อเองใจเราก็เลยหยุดชะ ง, งักว่าเราควรจะเก็บเอาไว้ให้ลูกหรือว่าเราควรจะเพราะว่าเราตัดสินใจว่าส่วนนี้เป็นส่วนของเร า, เ, าเลยทำให้ตัดสินใจไม่ได้อาก็เราแบ่งให้เขาเราไม่ใช่เลยเขาก็มีส่วน เขาอยากจะซื้อก็ให้เขาซื้อเสร็จแล้วเข้เอาเงินเข้ามาเหอนจอก็เราอันนี้เป็นศัพท์เป็นส่วนของเราแล้วแบ่งกันเท่าๆกันแล้วเขาจะมาโลภเอาของเราด้วยมันก็ไม่ถูกแล้วเป็นเป็นกิเลสของเขาแล้วถ้าเขาอยากจะได้ก็ขายเข้าไปดิ่อ่าอ่าใช่ไหมพูดตามหลักเหตุผล เพราะว่าเราขายไม่ขายเขาก็ไม่เดือดร้อนเขามีส่วนของเขาแล้ว <Okay. S 2> แต่เขามันโลภมันด้วเขามีอุปทานอาจจะติดกับตึกนี้เคยมีความสุขกับตึกนี้เลยอยากจะอยู่กับตึกนี้ต่อไปเขาขอซื้อก็ขายขาก็ได <Okay. S 2> ้เราต้องพูดตามหลักธุรกิจละใช่ไหมถ้าอารมณ์มาใช้มันก็ไม่สามารถตัดสินใจได้ถ้าเอาอารมณ์มาใช้ก็ต้องยกให้ลูกไป แล้วก็อยู่เป็นขอทานไปบวชเป็นแม่ชีไปไม่กระจ่างค่ะอาจารย์ก็ได้บวชวันนั้นก็ดีไม่ต้องยุ่งกับเงินได้ยิ่งดีใหญ่คิดว่าเป็นวิธีที่ถูกเพราะถ้ายัางมีเงินแเราไปอยู่วัดเดี๋ยวก็วุ่นวายกับเรื่องเงินที่ตนเองวุ่นวายกับเลี้ยงคนนั้นเลี้ยงคนนี้แล้วเดี๋ยวก็มาเสียใจถูกเขาด่าหน่อยถูกเขาตาหนิหน่อยก็จะเสียอกเสียใจถ้าจะบวชแล้วต้องหัดอยู่แบบขอทานให้ได้เราจะไม่มีปัญหาเรื่องเงินทอง อการที่จะบวชแบบขอทานได้นี่ต้องใจต้องมีธรรมก่อนถึงจะทําได้อ๋อขอาทานเอ่อใจไม่ได้อยากจะไปบวชค่ะแต่อยากจะเป็นผู้อุปถัมภ์ในที่วัดเพอยากจะเป็นคือชอบทําอาหารอชอบอยากจะไป อ, อทําอาหารถวายผ้าถวายคนปฏิบัติธรรมแต่ต้องมีทรัพย์คิดว่าตัวเองต้องมีทรัพย์ที่ที่สามารถให้ตัวเองทําแบบนี้ได้ก็เลยเ ก็ได้ถ้าอยากจะทำงั้นก็ได้แต่ซู้ไปบวชไม่ได้นั้นใจวิวัตรทั้งคืนมีครูดอันนี้คูดกระจ่างค่ะทำไมไม่เอารางวัลที่หนึ่งทำไมแบาแค่เลกท้ายสองตัวทำไม <c oughs> ใช่ไหมโ <c oughs> อ้จางค่ะอุกขะเข้าวัดดิเ <c oughs> ข้าวัดไปทําทานก็ได้แค่ระดับทานเข้าวัดต้องภาวนาสิจะได้รางวัลที่หนึ่ง รักษาศีลภาวนาช่ได้วันนี้วันหวยออกด้วยมเนี่ยจะรางวันที่หนึ่งแล้วจะเอาเลขท้ายสองตัวละ่ะจำไหมหอา่อาคิดห น, นะะึ่งไม่ <laughs> น่าจะคิดเลยมันนะมันต้องรางวันที่หนึ่งอยู่แล้ว <laughs> แต่มันต้องลงทุนมากหน่อยต้องเป็นขอทาน ย, ยังทับใจไม่ได้ ยังชอบเล่นกีฬาอยู่มยังยังมีกิเลสอยู่อ่ะมีใครอยากจะถามอีกไ <c oughs> หมไม่มีเด้อไม่มีใจะให้ทางบ้านถามเนี่อโอเคอ่าได้สาธุ ก็อขอให้สมหวังไม่ว่าต้องการอะไรก็ขอให้ได้อย่างนั้นไม่ว่างานก็ดีเงินก็ดีเลขก็ดีคนก็ดีอขอให้สมความปรารถนาในสิ่งนั้นนั้นเถิน <c oughs> เอาคาถามทางบ้านต่อคําถามจากข้างบนภูเขาครับคําถามมีสองคำถามครับคําถามที่หนึ่ง ชาตินี้หนูรู้จักธรรมะแต่หนูว่าตัวเราคงชดใช้กรรมในชาตินี้ไม่หมดแล้วชาติหน้าหนูจะสามารถรู้จักธรรมะอีกไหมคะธรรมะไทามันยังไม่เกิดจากการปฏิบัติมันลืมได้ชเช่นฟังธรรมวันนี้เดี๋ยวก็ลืมได้แต่ถ้าธรรมะที่เกิดจากการปฏิบัตินี่มันจะไม่ลืม ันถ้าไม่อยากเช่นเป็นโสดาบันแล้วมันก็จะเป็นโสดาบันไปตลอดมันจะไม่ลืมความความเป็นโสดาบันว่าโสดาบันว่าทำอย่างไรให้เป็นโสดาบันแต่ถ้ายังเพียงแต่อ่านเพียงแต่ได้ยินว่าต้องละสักกายทิฏฐิละอันนี้มันเป็นเพียงแต่ชื่อมันไม่ยังไม่ได้เจอตัวมันงั้นมันลืมได้อย่าว่าตายไปเลยวันสองวันก็ลืมอัเนี้เดี๋ยวถ้าไม่เอามานั่งคิดอยู่บ่อยๆเดี๋ยวก็ลืมแล้วะ คำถามที่สองเมื่อก่อนนั่งสมาธิบ่อยมีสติกว่านี้แต่เราได้ห่างหายจากการนั่งสมาธิไปนานพอมาวันนี้กลับรู้สึกปวดเมื่อยตัวไม่มีสติปวดหัวเป็นเพราะอะไรเจ้าคะก็เพราะไม่มีสติไงก็ต้องกลับมาสร้างสติใหม่เหมือนรถเนี่ยเบรคมันหมดก็ต้องไปเข้าอู่ไปใส่เบรกใหม่ใช่ไหม เบรกนี้ใช้ไปเรื่อยๆถ้าไม่คอยคอยอืมนะเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะกลับมาเหมือนเมื่อก่อนนี้ก็ต้องมาเริ่มต้นที่สติมาฝึกสติมาพุโทโธพุโทโธมาหยุดความคิดในอิริยาบททั้งสี่คิดให้น้อยคิดเท่าที่จำเป็นแล้วต่อไปเวลานั่งสมาธิก็จะสงบอาการปวดหัวต่างๆก็จะไม่เกิด คำถามจากทางเฟ e บุ o k ครับคุณชูชูกราบนมัส ก, การเจ้าคะ่ะอยากรู้ว่าจิตกับใจต่างกันอย่างไรเจ้าคะ่ะต่างคนที่ชื่อไงแต่มันตัวเดียวกันจิตใจนี่คือธาตุรู้ที่มีคุณสมบัติอยู่4ประการคือมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ วิญญาณก็คือการรับเอารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาจากตาหูจมูกลิ้นกายส่วนผู้ที่มาม า, มาวิเคราะห์ว่ารูปเสียงกลิ่นรสนี้เป็นอะไรก็เรียกว่าสัญญาแล้วก็เกิดเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ขึ้นมาแล้วก็สังขารก็จะคิดปรุงว่าจะทำยังไงดี อันนี้ก็คือสกุปก็คือจิตใจก็คือความรู้สึกนึกคิดส่วนเราส่วนใหญ่จะมักจะใช้จิตกับความคิดต่างๆอารมณ์ต่างๆส่วนใจนี่เราจะใช้กับตัวที่รู้เฉยๆรู้อารมณ์รู้ความคิดรู้สึกนึกคิดต่างๆนี่คือตัวคือใจจิตก็คือตัวที่สร้างอารมณ์ตัวที่สร้างความคิดสร้างความอะไรต่างๆขึ้นมาคาถามจากคุณ ไม่มีตัวตนกราบนมัส ก, การพระอาจารย์ครับจริงหรือไม่ที่พระภิกษุในศาสนานี้ต้องอาบัติปรชิกแล้วออกไปจากเพศภิกษุแล้วและสามารถบำเพ็ญศีลของคารวาสยังสามารถบรรลุพระอนาคามีได้ ถ้ามีปัญญามีสมาธิมีสติในระดับของอนาคามีก็ทำได้มันไม่ได้อยู่ที่อดีตที่ผ่านมาอาดีต ท, ทำบาปอย่างองคุลิมานฆ่าคนมาต้อง9 9 9คนก็ยังบรรลุเป็นผ้าอาหารหันได้อยู่ที่ปัจจุบันว่าเราสร้างเหตุที่จะทำให้เป็นอนาคามีได้หรือเปล่าเหมือนบ้านเราถูกพายุพายุมาถล่มบ้านพัง เราถ้ามีกําลังที่จะสร้างบ้านใหม่ขึ้นมาเราก็สร้างบ้านใหม่ขึ้นมาได้แต่ถ้าไม่มีกําลังไม่มีทรัพย์ไม่มีเงินทองที่จะมาสร้างบ้านมันก็สร้างไม่ได้ใช่ไหมมันอยู่ที่ปัจจัยคือเหตุตัวที่จะมาทําให้เป็นอนาคามีเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาระดับอนาคามีหรือไม่ถ้าไม่มีก็ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นพระหรือไม่เป็นพระก็ไม่ได้มันไม่ได้อยู่ที่การเป็นพระหรือเป็นคารวะ เพลนี้เป็นเพลงแต่เป็นเป็นอะไรเป็นส่วนประกอบที่จะเอื้อต่อการปฏิบัติหรือไม่เท่านั้นเองเป็นพระก็เอื้อต่อการปฏิบัติมากกว่าการเป็นโยมแต่ถ้าเป็นพระแล้วไม่ปฏิบัติก็สู้โยมที่ปฏิบัติไม่ได้เพราะฉะนั้นมันไม่ได้อยู่ที่เป็นพระหรือเป็นเป็นคารวะอยู่ที่ว่ามีศีลสมาธิปัญญาหรือไม่ คำถามจากคุณพีโกตเรียนถามพระอาจารย์ครับอาการตกใจหรือกลัวเป็นกิเลสหรือเป็นสัญญาเก่าที่ออกมาจากขันท่าครับอาการตกใจนี้มันเกิดจากการที่จิตต้องไปประสบกับอะไรที่มันกระทันหันแบบที่ไม่ได้ตั้งใจอย่างฟ้าผ่าฟ้าเปรี้ยงขึ้นมาอย่างนี้มันก็ตกใจได้ แต่ถ้าตกใจแล้วถ้ากลัวนี่ถึงจะเป็นกิเลสแต่ถ้าตกใจแล้วไม่กลัวเฉยๆผ่านไปเป็นอุเบกขาก็ไม่เป็นกิเลสให้มันอยู่ที่ใจว่ามีกิเลสหรือไม่มีกิเลสแต่ใจมันจะตกใจได้ถ้ามีอะไรมากระทบกับใจแบบกระทันหันแบบแรงๆนี่มันก็สะดุ้งขึ้นมาได้คำถามจากคุณตุย้ยขอโอกาสครับ ตอนนั่งสมาธิรู้สึกจิตถอยลงไปเรื่อยๆจนรู้สึกวิตกแล้วต้องถอนออกมาต้องทำอย่างไรต่อครับ เ, ออเวลานั่งต้องมีสติให้อยู่กับพุทโธแล้ว อ, อยู่กับลมหายใจเข้าออกอย่านั่งเฉยๆอย่านั่งดูจิตนะให้ดูพุทโธหรือให้ดูลมแล้วจิตก็จะไม่ถอยจิตก็จะเข้าสู่ความสงบได้ คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามขอกราบเรียนถามค่ะถ้าติดในรูปเอาอสุภะมาเป็นตัวตั้งแต่ถ้าไม่ได้ติดในรูปแต่ติดในความดีความสงสารเป็นแบบนี้ควรจะพิจารณาด้วยอะไรคะอ๋อก็พิจารณาว่าก็เป็นความดีของเขาเป็นเรื่องของเขาเขาดีเขาก็มีผลดีของเขา แต่ก็ต้องพิจารณาว่ า, าก็จะไม่ได้อยู่ด้วยกันไปตลอดหรือความดีก็อาจจะหายไปได้อาจจะกลายเป็นไม่ดีก็ได้เวลาคบกันใหม่รักกันดีกันด้วยเกินแล้วเดี๋ยวพอวันดีขึ้นดีเขาไม่ดีขึ้นมาก็ได้ก็พิจารณาความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของความดีก็ได้ คำถามจากคุณจันจินดากราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะขอเรียนถามเมื่อคืนก่อนดิฉันนั่งสมาธิเมื่อจิตนิ่งสงบแล้วเห็นภาพฟิล์มเอ็กซเรย์ฟันล่างปรากฏในสมาธิมันค่อยๆปรากฏขึ้นจนเห็นมันลางๆรู้สึกว่าจิตตัวเองเริ่มไม่นิ่งพอ จึงภาวนาพุโทโธพุธโทโธภาพก็หายไปกลายเป็นจิตนิ่งสว่างแบบนี้เรียกว่าเกิดภาพนิมิตรหรือจิตเริ่มพิจารณาอสุภะเจ้าคะขอคำแนะนำด้วยค่ะจิตไม่มีสติจิตไม่มีสติปล่อยให้จิตปรุงแต่งขึ้นมาปรุงภาพปรุงอะไรขึ้นมา กานั่งสมาธิเราไม่ต้องการให้จิตปรุงแต่งไม่ต้องการเห็นนิมิตไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นต้องการให้จิตว่างจิตสงบก็ต้องภาวนาไปเรื่อยๆพุโทโธไปเรื่อยๆดูลมไปเรื่อยๆอย่าหยุดถ้าหยุดเมื่อไหร่เดี๋ยวมันจะสร้างอะไรต่างๆขึ้นมาหลอกเราได้คำถามจากคุณเชอร์เบลการที่เราไม่อยากพูดคุยกับคนที่ชอบพูดจาลามกกับเราตลอด เคยไม่ถือสาแต่เขาจะมีพูดเรื่อยๆของเขาเวลาคุยกับเราชอบวกไปพูดตอนนี้เราเลือกที่จะไม่พูดเล่นถามคําตอบคํามันจะเป็นการถือตัวตนไหมคะและเหมือนเขาเป็นทุกข์ที่เห็นเราไม่ค่อยอยากพูดด้วยคะ่ะเราจะทาใจอย่างไรดีค ะ, ะมันถือตัวที่ไหนเหราเรามีเหตุผลของเรา พูดไปแล้วเดี๋ยวมันก็กลับไปพูดเรื่องรามุกเนี่ยมันนี่คือเหตุผลของการที่เราไม่พูดไม่ได้เป็นเหตุผลเพราะเราถือตัวเราคิดไปเองต่างหากว่าเราไปถือตัวใช่ไหมเหตุผลของเราที่ไม่พูดเพราะเราไม่อยากที่จะไปฟังเรื่องรามุกต่างๆเราก็เลยพูดคำตอบคำไปก็เท่านั้นเองไม่เห็นจะต้องมันไม่เห็นเสียหายตรงไหนคาถามจากคุณสิริปรียา ทำอย่างไรทำให้สุขจากสมาธิอยู่กับเรานานๆตอนหลังจากออกสมาธิมาแล้วค่ะก็ต้องรักษาใช้สติรักษาต่อไปอย่าใจอย่าปล่อยให้ใจคิดไปในทางความอยากเพราะถ้าคิดไปในทางความอยากมันก็จะร้อนขึ้นมามันจะไม่เย็นหรือถ้าใช้ปัญญาได้ก็ใช้ปัญญาคอยระ ง, งับความอยากที่โผล่ขึ้นมาเวลาออกมาแล้วอยากจะดื่มกาแฟอย่าดื่มไปเลยดื่มไปทาไม ดื่มก็ความสุขเดียวเดียวเดี๋ยวก็ติดติดแล้วต้องดื่มเรื่อยๆ เ, เวลาไม่ดื่มมันก็จะทุกข์ให้คิดอย่างนี้มันก็จะระงับความอยากดื่มกาแฟได้ใจก็จะหายทุกข์หายอยากใจก็จะกลับมาเย็นสบายได้ทุกครั้งที่อยากอะไรก็ให้คิดแบบนี้ไปถ้าคิดทางปัญญาเป็นถ้าใช้ปัญญาไม่ได้ก็ใช้สติไปก่อนพุโทโธพุโทโธหยุดความคิดเหล่านั้นไปก่อน แล้วใจก็จะเย็นต่อไปคำถามจากคุณไพโรจน้อมกราบนมัสการพระอาจารย์ครับผมได้ไปรับช่างต่อเติมซ่อมแซมกุฏิหลวงพ่อแต่ผมไม่คิดค่ารถแถมยังเลี้ยงข้าวช่างอีกอย่างนี้จะได้อนิสงหรือผลบุญอย่างไรบ้างครับก็ได้ทำทานเสียสละเงินทองเลี้ยงเขา ได้บุญที่เกิดจากการได้รับใช้หลวงพอ่อรับใช้ผู้อื่นก็มีบุญสองอย่างนี่บุญที่เกิดจากการให้คือทานบุญที่เกิดจากการรับใช้ช่วยเหลือผู้อื่นคำถามจากคุณสิริปยาสมาธิกับกรรมฐานต่างกันอย่างไรเจ้าคะกรรมฐานเป็นอารมณ์ที่เราใช้ทำใจให้เข้าเข้าสมาธิ ฉันพุโทโธนี่เป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งดูลมหายใจเข้าออกอานาปานาสติก็เป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งเพ่งดูโครงกระดูกก็เป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งกรรมฐานคืออารมณ์ที่เราใช้ในการควบคุมความคิดหยุดความคิดเพื่อให้ใจเข้าสู่ความสงบคือสมาธิถ้าไม่มีกรรมฐานนั่งสมาธิก็จะไม่สงบต้องมีกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งส่วนใหญ่เราก็จะได้ยิน ทำบริกรรมพุโทโธพุธโทโธหรือดูลมหายใจเขาออกนี่คือกรรมฐานอารมณ์ที่เราใช้ในการที่จะควบคุมใจให้เข้าสู่ความสงบคือสมาธิคำถามจากคุณองุนทิพย์อำนาจคืออะไรครับถ้ามีอำนาจทุกอย่างก็จะเกิดขึ้นจริงไหมครับไม่จริงหรอกอำนาจมันหยุดความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้หรอก อำนาจมันก็แล้วแต่ว่าอำนาจแบบไหนอำนาจทางกฎหมายอำนาจทางเงินอำนาจทางความรู้มันมีหลายอำนาจอำนาจก็คือสิ่งที่จะสามารถที่จะทําให้บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นได้หรือดับมันได้แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ละแต่ว่าเราต้องการจะดับหรือทําอะไรให้มันเกิดในสิ่งไหนเราก็ต้องเอาอำนาจในสิ่งนั้นมาทําำ แต่บางอย่างก็อำนาจก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เช่นธรรมชาติเรื่องของธรรมชาตินี่ไม่มีอำนาจที่ไหนจะมายับยั้งมันได้ฝนจะตกแดดจะออกไม่มีอำนาจของใครที่จะมายับยั้งมันได้คนจะแกะ่คนจะเจ็บคนจะตายนี้ไม่มีอำนาจอะไรมายับยั้งมันได้คําถามจากคุณลูกหมีตัวน้อยกราบเรียนถามพระอาจารย์ พี่สาวผู้เลี้ยงดูข้าพเจ้าตั้งแต่กำเนิดถือเป็นบุพการีใช่ไหมเจ้าคะข้าพเจ้าสามารถสวดมนต์ให้ท่านได้ไหมคะท่านยังอยู่คะ่ะและตอนนี้ก็เลี้ยงดูท่านอยู่กราบขอบพระคุณค่ะออการสวดมนต์นี้สวนเพื่อตัวเรามากกว่าสวดเพื่อให้ใจเรามีสติมีสมาธิมีความสงบถ้าเราอยากจะทำอะไรให้ท่านมีความสุขก็เช่นหาอาหารมาให้ท่านประทาน ซื้อเสื้อผ้าไหมท่านใส่ท่านอยากจะไปไหนมาไหนก็รับใช้ท่านท่านต้องการเราต้องการจะทําอะไรเราก็รับใช้ท่านให้ท่านมีความสุขเป็นการตอบแทนบุญคุณของท่านที่ท่านเคยเลี้ยงดูเราให้เรามีความสุขตอนนี้ถ้าท่านเลี้ยงดูไม่ได้ตัวท่านเองไม่ได้เราก็ต้องเลี้ยงดูท่านเป็นการทดแทนบุญคุณต่อกันแต่เรื่องของการสวดมนต์นี้มันเรื่องของของคนของผู้สวดไม่ใช่ของคนอื่น คำถามจากคุณสีสุดากราบเรียนถามเจ้าคะ่ะคนหนึ่งออกเงินทำบุญแต่ให้ออกใบอนุโมทนาบัตรเป็นชื่อของอีกคนเพื่อเอาไปหักภาษีใครได้บุญเจ้าคะ่ะเงินของใครคนนั้นก็ได้บุญนะเข้าใจไหมไม่รู้เป็นเงินของใครนะ ใครเป็นคนเสียสละเงินคนนั้นก็ได้บุญคนที่ไม่เสียสละบุญก็ไม่ได้ไม่เสียสละเงินก็ไม่ได้บุญอได้เงินบางคนเอาเอาเงินไปหักภาษีได้เงินแต่ไม่ได้ทําบุญอีกคนคนทําบุญไม่ได้ไปหักแต่ยินดีที่จะให้คนที่ไม่ได้ทําบุญไปหักอคนทําบุญคนที่เสียเงินทองเนี่ยได้บุญแต่คนที่เอาอนุบายอนุโมทนาบัตรไปอ่าไป เอาภาษีคืนอย่างเงี้ยมันก็ได้เงินแต่ไม่ได้บุญนะคําถามจากคุณลาบโคกสูงภาวนาแล้วเห็นยิบยิบยับยั บ, ยบกลางหน้าอกมันคืออะไรครับคือไม่มีสติงั้นอย่าไปเห็นอะไรให้เห็นพุทโธให้เห็นลมหายใจอย่างเดียวอย่างอื่นมันจะมาอย่าไปสนใจ ถ้าไม่อยู่กับลมไม่อยู่กับพุโทโธเดี๋ยวอะไรต่างๆก็โผล่ขึ้นมาไม่ได้เป็นสิ่งที่เราต้องการจากการนั่งสมาธิการนั่งสมาธิต้องการใจให้รวมเป็นหนึ่งสักแต่ว่ารู้ให้มีอุเบกขาให้อยู่กับความว่างคำถามจากคุณสับปรสีเป็นโยมอุปถาช่วยเหลือจัดการซื้อข้าวของเข้าวัด โดยทรับของโยมเองทั้งสิ้นแบบนี้อนิสงได้ต่างจากไปทาบุญปกติอย่างไรเจ้าคะก็เหมือนกันน่อยู่ที่การเสียสละเงินทองของเราเราเสียเท่าไหร่เราไปเสียที่วัดนี้เราไปเสียที่วัดอื่นก็ได้เท่ากันคำถามจากคุณชัยนาทน้อมกราบนมัสศการพระอาจารย์ครับเวลานั่งสมาธิ ตอนนั่งใหม่ๆหลังตรงดีพอนั่งนานๆหลังจะกโกงแต่สติรู้แล้วกลับไปยืดตัวให้ตรงเหมือนเดิมทำแบบนี้ถูกต้องหรือเปล่าครับถ้าไม่จำเป็นก็ปล่อยร่างกายไปมันอาจจะงอบ้างมันอจจดเอ็นบ้างก็อย่าไปสนใจถ้าไปสนใจร่างกายจิตก็จะออกมามันจะไม่เข้าข้างใน การนั่งสมาธินี้ต้องการดึงจิตให้เข้าข้างในให้ออกจากร่างกายเพราะฉะนั้นเวลานั่งเราอย่าไปกังวลกับร่างกายไปมันไปตามเรื่องของมันเราให้อยู่กับพุทโธไปอยู่กับลมหายใจไปเพื่อให้จิตเข้าข้างในถ้าพอเราจะขยับออกพอเราจิตออกมาขยับร่างกายมันก็กลับมาเริ่มต้นใหม่ เราก็จะไปไม่ถึงไหนขับรถออกไปถึงปากซอยก็ออกกลับบ้านลืมปิดประตูบ้านออพอลืมปิดประตูบ้านเสร็จก็ออกไปอ่อเลืมปิดไฟอ่อขับกลับเข้ามาอีกมันก็อยู่แค่ปากซอยไปไม่ถึงไหนถ้าออกจากบ้านไปแล้วไม่ต้องย้อนกลับเดี๋ยว่าเราดูแลเรียบร้อยแล้ว มันจะเป็นอะไรช่างหัวมันเรานั่งสมาธิเราตั้งร่างกายของเราให้ตรงแล้วดีแล้วเราก็พุโทโธของเราไปไม่ต้องมากังวลกับร่างกายต่อไปถ้ามป็นเนั้นก็จะเป็นแบบขับรถไปขับรถกลับเนี่ยไปไม่ถึงไหนออคำถามสุดท้ายนะคำถามจากคุณอุนทิพย์ขอถามครับ แล้วถ้าบรรลุอรหันต์มาแล้วตั้งแต่ชาติที่แล้วชาตินี้จะบรรลุได้อีกไหมครับอ๋อชาตินี้ไม่มีแล้วอะไรว่าเป็นพระอรหันต์แล้วก็ไม่มีเกิดแล้วถ้าเป็นพระนาคามียังเกิดอยู่แต่ไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเป็นพรหมแต่ถ้าเป็นพระสกิฎรกามีพระโสดาบันนี่ยังกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ปยุยการยังไม่จบ เมือนเด็กที่จบมาจบปริญญาตียังต้องกลับมามามหาลัยต่อมาทาโทมาทำเอกต่อแต่คนที่จบเอกแล้วไม่กลับมาที่มาหาลัยแล้วถ้ากลับมาก็มาเป็นอาจารย์เท่านั้นแต่พระหลานไม่กลับมาเกิดไม่มาสอนใครแล้วสอนเท่าที่ร่างกายที่มีอยู่นี้ยังอยู่ได้ก็สอนไปแต่พอร่างกายนี้หมดแล้วก็ไม่ไ ม, ม, มีร่างกายใหม่มาสอนใครต่อไป